เเมพัทยาวิทยุพุทธสมาธิวิทยุเพื่อการแบ่งปันวิทยุเพื่อธรรมทานวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา สวัสดีครับกลับมาพบกันกับรายการรู้ทันภัยธรรมชาตินะครับประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2550เอ๊ะแใช่ไหมแปดหรือเจ็ดครับผมก็วันนี้โดยดรก้องพกอยู่เย็นและอาจารย์ปีอาชีพวัชโรบนนะครับงนก็ตัดไปที่ดรก้องพกเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ อันนี้เราม า, ราพูดคุยกันอีกครั้งนะในรายการรู้ทันภัยธรรมชาตินะการที่เรียกว่าเราจะรู้ทันอะไรได้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราขับรถอยู่นะครับแล้วเนี่ยรู้ว่าข้างหน้านมันมีไฟอันตรายมีถนนนู่นอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะว่า บริเวณนั้นมันมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยเราก็หลบหลีกได้นะความอันตรา ย, ยาต่างๆก็จะไม่เกิดกับตัวเรานะกับผู้ที่มีความรู้เหล่านั้นนะนั้นความรู้เนี่ยถ้าพูดกันตามหลักปกติทั่วไปก็คือการรู้ถึงเหตุรู้ถึงผลรู้ถึงเหปัจจัยอย่างหนึ่งส่งผลให้อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะหรือรู้ถึงว่าถ้าปัจเทยปัจจัยเหล่านั้นไม่มีนะ เหตและผลผลที่ตามมามันก็จะไม่มีตามนั้นเช่นเดียวกันนะอยู่แล้เหตุเหล่านั้นยังมีอยู่นะผลมันก็ยังมีอยู่นะง่ายๆคือการรู้ตามเหตุตามผลนะรู้ตามหลักการทําุทธศาสนานั่นเองนะครับตามหลักกดของไตรลักษณ์กัดตามหลักของการที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยอันหลากหลายนะนั่นคือการรู้ทันนะครับ ในองของการนูทันเรื่องของภัยธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเข้าใจนะถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติภนะัยธรรมชาติเนี่ยมียกันเป ล, ลียรูปแบบนะอย่างเช่นเรื่องของน้ําท่วมฝนตกหนักพายุทอร์นาโดนะพายุมวงช้างพายุมุ่นเขตยดตามแต่พายุหลายแหล่หลายแบบ อันนี้ เ, นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเรื่องของ heat wave เพความร้อนนะ cold wave เความเย็นนะมีหลายแบบด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่อยู่เหนือดินที่เกี่ยวกับสภาพอา ก, กาศในแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าภัยธรรมชาติใต้ดินนะอย่างเช่นบางช่วงมีธรณีร้อนเปนพิเศษนะมีหลุมยุบเกิดขึ้น นะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นภูขเขาไฟระเบิดอย่างนี้เป็นต้นนะแผ่นดินยุบดินแยกได้อย่างนี้นันก็เรียกเป็นภัยพิบัติที่อยู่ใต้ดินนะอันนี้เรารูแล้วว่าตามคําศัพท์ของภัยธรรมชาตินี่ก็คือมีหลายรูปแบบหลายปัจจัยด้วยกันนะคราวนี้การที่จะรู้ทันสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องเข้าถึงเหตุของ การเกิดของสิ่งหลักนี้นะว่ามันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุใดนะถ้าเราเข้าใจถึงเหตุแน่นอนเราก็จะหมดความสงสัยในเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้แล้วเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามความสัมพันธ์นั้นและสุดท้ายนําไปสู่ความที่เรียกว่าเรานั้นผู้รู้คือผู้ที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งหลายนะครับ ดฉะนั้นเหตุของภัยธรรมชาตินะมาจากอะไรบ้างนะถ้าถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกถึงเหตุของแผดไหวมีตั้งหลายแบบนะมีแเรื่องของ ถ, ถ้าท่งทยทางวิทยาศาสตร์แบบจัดยาแล้วกันผมว่ายาที่สุดแล้วนนก็คือเรื่องของลมกำเริบนะ ทำไมท่านถึงพูดถึงงมันเลิกทั้งนั้ง น, นี้มันเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินมันเป็นแผ่นดินหรือ ถ, ถ้าดินทําไมท่านพูดถึงธาตุนมะนะเพราะว่าเหตุของสิ่งที่เรียกว่าก่อนที่มันเป็นวัตถุจับต้องได้มันจะมาจากธาตุที่มีความาเบาวกว่ามันเสมอนะอย่างเช่นเรื่องของอแผ่นดินไหวเนี่ยเราปรวจ ในารู้แผนดินไหเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอย่างเช่นเรื่องของอ่าบางที่มีลมเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพานดินแดงนะหรือแม้แต่นอกโลกเรียกว่าลมสุริยะนะก็มีอีก น, น, อนกอ ะ, กยะนะกนะอย่าง น, นกรณีของอะนะในการณี้ปัจจุบันเลยที่เพิ่งเกิเกสสดสสมรอัร้อนนะครวันนี้เลยมันม่นคือแผ่นดินไหที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ต้องเกิดวันที่30ทัำไนไม่เกิดวันอื่นนะถ้าเราเข้าใจถึงเหตุที่ที่ทําให้เกิดเป็นดินไหวครั้งนี้เราก็จะรู้ว่ามันมีรามบอกเหตุมานานแล้วนะแล้วนะถ้าเกิดท่านทั้งหลายไดติดตามฝรั่งที่เขาคาดการ์เขาบอว่าจะมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นวันที่29เขาคาดการ์ด้วยวิธีอะไรนะเราก็ดูดาวนะแต่ไม่แน่นอน การคาการจะถูกต้องได้จะต้องอาศัยการดูเหตุหลายๆรูปแบบด้วยกันนะอย่างฝรงั่งท่านนี้ทั้งก็ใกล้เคียงพอสมควรแต่ก็ยังก็เป็นเรื่องธรรมดามันมันจะถูกทั้งหมดมันก็มี่ยว่าต้องรู้เหตุเกือทั้งหมดเลยนะอันนี้เรามาดูกว้างไปกว่านั้นอีกมีเรื่องของดาวเป็นส่วนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นได้ยังมีเรื่องของปฏิกิริยาดวงอาทิตย์นะ สึ่งปริยาลงทิศเนี่ยมันก็มีการสังเกตด้วยกันหลายรูปแบบนะรูปแบบที่เรียกว่าอ่าพื้นฐานที่สุดในการสังเกตรปฏริยาลงทิศคือจุดดับนะสังเกตกันมาเป็นร้อยปีมิลลี่ร้อยปีแล้วนะซึ่งจุดดับเนี่ยทําไมมันถึงพื้นฐานและใช้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากเพราะ ผู้ที่เห็นจุดับก็เจาะกล้องอยูที่ดวงอาทิตย์แล้วเขาก็เห็นเป็นจุดับจุดสีดำๆบนผิวดวงอาทิตย์แล้วเขาก็มานั่งสร้างขึ้นมาเป็นดัชนีขึ้นมาโดยเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยส่งผลอะไรต่อโลกบ้างนะันต่างกับดัชนีสังเคราะห์ในยุค ป, ปัจจุบันนะซึ่งพยายาม ทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยใช้สมมติขัญัติที่เห็นตามตำรานะโดยชอบพ่อเกี่ยวกับเรื่องของสนามแม่เหล็กนะ เ, นเช่นพวกเกี่ยวกับตัดชนีการแป่งตัวของสนามแม่เหล็กหรือเรื่องของตันชนีโซลาร์แฝงการส่งแสงเอ็กซ์เรย์ออกมานะจากดวงอาทิตย์แต่ว่าในช่วงวิ่งหลังเนี่ยมีความเข้าใจว่า บางอย่างมันออกมาจากดวงอาทิตยนะ์นะแล้งมันส่งผลกับโลกต้องออกจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกต้องรับมาถึงโลกแล้วถึงจะส่งผลได้อันนี้ก็เป็นสมมติฐานอันหนึ่งนะซึ่งเราถือว่าใช้งานได้พอสมควรนะแต่เราต้องดูรูปแบบของแับชนีต่างๆให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะ ในกรณีของการคาดการไัยพิบัตินั้นเราก็ต้องรู้วัตถุประสงค์ว่า<ม>เราจะศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อไปคาดการไัยพิบัตินะอะไรก็ตามที่เห็นว่ามันไม่สัมพันธ์เราก็ไม่ใช้นะล้วก็เราก็ดูที่ผลเป็นหลักก็คือผลคือการคาดการได้นะการที่จนะคาดการได้เนี่ยเราก็ดูตัวที่สำคัญสาคัญ น, นะซึ่งผมจะใช้ เป็นหลักในการภาดการไถ่ิบัตินี่คือจุดตะคุณงูอทิต์นะแน่นอนวิธีการใช้อาจจะแตกต่างากับตำลาเรียนทั่วไปซึ่งเขาไม่ให้ควาสมสำคัญอะไรกับจุดตะกมากเขาไปดูตัวเอ็กซ์เรย์เขาไปดูมวลอดุภาคต่างๆเขาไปดูแสงออโรราอะไรกันนะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของเขาไม่ได้ดูเรื่องไถ่พิบัติก็ไมไ่สนใจเรื่องไถ่พิบัติเนียง วิธีการนี่เขาใช้มันก็เป็นไปเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของแสงบอโลล่าของการแปลงตัวของสนามแม่เหล็กนะแน่นอนมันมีความสัมพันธ์กับนุ่นภัยพิบัติอยู่แล้วนะแต่มันไม่ใช่ตัวที่จะเอามาเป็นอ่าตัวหลักในการใช้คาการณ์ไบับเพราะมันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งนะซึ่งเป็นคณศาสตร์ กับสาขาการภัยวิบัติเหมือนกับเรามีหมอซึ่งเป็นอาชีพหมอแต่เรามีแยกสาขาออกไปหลายสาขาคนหนึงเป็นหมอฟันคนนึงเป็นหมอผิวหนังคนนึงเป็นหมอปา่าตัดเจ้าศาสตร์อีกศาสตหนึ่งมาใช้กับอีกศาสตรหนึ่งเอาหมอผิวหนังมาใช้กับหมอฟันนะมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ไม่ใช่มานั้งขอดีเสกกันนะวิทยันหนึ่งมันไม่ใช่อันหนึ่งมันมันจริงทั้งคู่นะเกรงถึงว่า มันจะต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะในการทำให้ตามให้เข้าเข้าเข้ากับรวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเอาไว้นั่นคือการคาดการไ์ฏบัตินั่นคือทำสิ่งที่สิ่งที่ไม่เคยทำได้หรือคิดว่าเป็นไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ขึ้นมานะเราก็ต้องใช้ทุกวิถีทางนะที่เรียกว่าสามารถนาไปทำซ้ำได้ สามารถที่จะทุกท่านที่รัาฟัองอยู่สามารถเรียนรู้และสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยตนเองพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่ามันเป็นจริงนะคราวนี้เรามาดูอย่างกรณีของอปนิบัติครั้งนี้วันที่สามสิบเราก็จะเห็นว่าดาวเรียตัวประวัการดาวเรงตัวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงใกล้คือประมาณที่ที่สิบเจดพฤษภาคมนะ ซึ่งเอ่อผมก็ได้โพสต์มาในเฟซบุ๊กมีจริงเกิดก่อนืนั้นก็มีอีกก็คือวันประมาณ 22. นทะี่2ี่สิบี่สบสองวันที่ก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในช่วงที่มีดาวหนึ่งตัวนะประสมสัญญาณแบอบกว่านี่ลมกำลังลแล้วนะลมรอบโลกกำลนงลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ต้อง ม, มีการกำลนงลตามบาที่โลกนะ โดการวิธีการดูภัยธรรมชาติที่ถูกต้องก็คือดูภัยธรรมชาติตรงๆเลยนะเพาะว่าดูตรงๆหมายความว่าไม่ต้องไปดูหลอกว่าจะสนาไม่เหล็กจะแกว่งตัวหรือไม่ให้ดูธรรมชาติตรงๆก็คือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนอกโลกให้ดูเหตุตามมาในโลกเลยนะโดยที่เหตุเหล่านั้นมีหลายแบบเรื่องของสภาพอากาศแผ่ดินไหวภูเขาไฟระเบิด น, นะ หรือถ้าเบื่อเราจะดู ง, ง, ง่ายแยง่ายขึ้นบีบก็คือแยกเป็นรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรยากาศกับสิ่งที่เกิดขึ้นใต้โลกนะใต้โลกกับเหนือโลกบนโลกแล้วก็ผิวจัก ร, รยากาศในกรณีของถ้ามีปฏิกิริยาดวงที่เกิดขึ้นนะมันก็บอกได้ชัดนะว่ารูปแบบเป็นยังไงเราก็ดูที่ผิวดวงอาทิตย์ถ้าเราอยากจะดู แผ่นดินวไหวปฏิญาณแผ่นดินวไหวเราให้ดูใต้ผิวดวงอาทิตย์แต่เราดูใต้ผิวดวงอาทิตย์เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเราก็เลยดูที่ผิวดวงอาทิตย์นั่นก็คือจุดดับหรือการเปลี่ยนแปลงของผิวที่โวสตาิตยนะมันก็จะเร า, า ก, ก็มาเท็บเคียงกับการเปลี่ยนแปลงที่ผิวบนโลกนะหรือแผ่นนิ้วไหวนั่นเองหรือเท่าเที่ยวเด เราก็จะพบว่าในกรณีของภูเขาไฟระเบิดและแผนดินไหวเกี่ยวข้ อ, ของกับการเปลี่ยนแปลงของถึงกดับที่มีการขยายตัวและหดตัวนะจานนั้นเลยนะถามว่าจะมีการเปลี่ยนตัวของสนามแม่เหล็กที่บริเวณกั้วโลกหรือไม่นะไม่จําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูที่กั้วโลกเราดูที่แผ่นินไหวที่บริเวณ น, นั้นนะ การดินไหวไวันั้นจะต้องส่งผลกับการเป็นงตัวที่ควแม่หล็ิสนานแม่น็ษว่ากหงืไม่ก็ไม่จําเป็นนะตัวเรื่องกันแต่สัมพันธ์กันอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้นะนี่คือวิธีการดูที่ถูกต้องนะในเรื่องของศาสตร์ของการคาดการณ์แผ่นดินไหวนะในช่วงที่มีแล้วมีวิธีการในบ้างที่เราจะตรวจสอบได้ว่ามันมาจะใกล้เข้ามาแล้วกระทบโลกแล้วจริง มันก็ดูได้นะจากการที่หนึ่งสภาพอากาศบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะก่อนเกิดเหตุถ้าหลายๆท่านอาจจะเห็นพวกเมฆสีลุ่งในช่วงนี้นะก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ไม่แอบข้มาว่าเมื่อท่านเห็นเมฆสีลุง่งบริเวณที่ท่านสังเกตแล้วจะเกิดแผ่นดินไหวบรนะิเวณนั้นมันไม่จําเป็นนะนี้เป็นอาการของโลกนะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนะ ทำให้เราสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกตินะบนโลกนะในช่วงดังกล่าวนะก่อนเกิเพจได้นะันแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าบริเวณใดมีสิ่งผิดปกติมากพิเศษเราก็ดูใกล้ๆบริเวณนั้นมีปัญหาอะไรนะเกิดขึ้นเวลามีการประทุเกิดขึ้นในดวงทิตย์ในวันสำคัญต่างๆนะอย่างเช่นประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ มีปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวนะเราก็จะสังเกตดูว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นนะเป็นตัวบอกเหตุเข้าผ้าก่อนอย่างเช่นจะมีภูเขาไฟระเบิดนะขนาดใหญ่เลยที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแจ้งเตือนนะในวันที่27 28แล้วก็จะบอกแล้วว่าโดยประเทศญี่ปุ่นนะให้ระวังเอาไว้เป็นพิเศษนะ ตอนนี้เราก็มาดูแล้วก็ยังมีแผนดินไหวที่阿拉กานะถูกหครับประมาณที่ 28, 28, 29แผ่นดินไหว阿拉斯กาเกิดขึ้นอีกเสร็จแล้วมันต้องมาจุดคายแม็กซ์กลับมาที่บริเวณเดิมก็คือประเทศญี่ปุนนะ่นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ติเตอร์นะแต่ก็ดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายเพราะว่ามันลึกนะแต่เ้ายเราก็ทราบได้นะว่ามันจะเกิด อันนี้คือวิธีการที่เราจะดูเป็นแบบเป็นรูปแบบที่เรียกว่าง่ายที่สุดเลยแล้วกันง่ายกว่าการดูพะยากรณ์อากาศที่ทำไปหลายๆในหลายๆครั้งนะง่ายเพราะว่าทุกคนเรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจุดจับหรือที่ปฏิญญายาดวงอทิตยเนี่ยในช่วงที่มันพีกพีกก็มีสองแบบือพีกสูงสุดกับพีกต่ำสุดช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ เราควรมีการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะสําหรับทั่วโลกเราดูทั่วโลกสป็หลักเพาว่าจิตใจพวกเรากว้างขวางนะระดับโลกเราไม่ดูแค่ตัวเองนะเราดูถึงโลกเราดูถึงระบบสุริยะอุจั ก, กรววนนะตอนนี้เรา ม, มาดูต่อในเรื่องของเอ่อลมฟ้าอ า, า, ากาศบ้างอายุลมฟ้าอากาศ มันจะเป็นของคู่เหมือนกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ดินนะนั่นคือมันจะเกิดก่อนอินไหวมากเป็นพิเศษจรืเกิดหลังดินไหวมากพิเศษช่วงเผื่อดินไหมากมเศษก็จะเป็นเรื่องของปฏิยาตใต้ดินเยอะเป็นพิเศษในช่วงวันวันนั้นนะวันนั้นก็จะพื้นที่ข่าวว่าจะเป็นเรื่องของปฏิยาตใต้ดินไปแล้วสลับกันอีกช่วงหนึ่งกลับมามันก็จะกลับมาเป็น พื้นที่ข่าวของเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ น, นะคราวนี้เราจะดู้ยังไงช่วงลมฟ้าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงช่วงไหนบ้างนะมันก็จะมีเรื่องของเกีเ่ยวกับพายุสุริยะนะปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วพอถ้าเกิดมีพายุสุริยะมากเราจะสังเกตยังไงมันก็จะมี โซล่าแฟร์ถูกไหมครับวันนี้เรามาดูเรื่องของสรุปขัญาติเกลือศาสนาแม่เหล็กบ้างซึ่งซึ่งถ้าการศึกษามาจะพบว่านวิยาการใน่คอขั้งตอนรับเรื่องของผลของปริอนที่กับสภาพอากาศพอสมควรนะนั่นก็เป็นเพราะว่านักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับความสพันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งจะพบว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพอากาศน่ารูเสีย มันจะต่างกับพายุใบตรงนี้นะตัว่าพายุสุริยะเนี่ยมันก็เป็นความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เนี่ยมีความแปรปรวนสูงชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดวงอาทิตย์เราก็มาดูชั้นบรรยากาศบนโลกเพื่อเทียบเทียมกันสองอย่างมันพร้อมกันนะหลังเราก็ดูว่า ว่าชั้นบรรยากาศดวงที่เปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเราก็จะค้นพบว่ามันสัมพันธ์ในเครื่องที่เรียกว่าเมื่อมีความแปรปรวนของ plasma ในชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ก็จะพบความแปรปรวนของ plasma ข, ของชั้นบรรยากาศโลกพ อ, พอง plasma บนโลกหมายความาอะไรก็คือแก๊สต่าง ๆ, ๆที่มีประจุไฟฟ้าเป็นต้นนะแล้วก็ เมื่อมีความแปรปรวนเกิดขึ้นนะครับแตเราไมได้ยินไหมครับยังไม่ได้ยินนะนะครับ ใ, ในเมื่อมีกรณีของความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเมื่อมีปัจจุศเสียะนะครับ ถ้ามันมีทิศทางเข้ามาในทิศทางเดียวกับโลกนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกมันจะมีมากพิเศษมีพายุก่อตัวขึ้นมีอะไรก่อตัวขึ้นมีฝนมากพิเศษปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมามันจะมีการมีการเล่งปฏิกิริยาเกิดขึ้น <c oughs> แต่ในช่วงที่มีอนดิไหเราจะพบว่าเหการ ของพายุกวกาตัวมันอาจจะมีแต่มันน้อยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่จะออกเป็นใต้ดินแทนนะอันนี้เป็นรูปแบบของอาการที่โลกเนี่ยสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงนอกโลกนะคราวนี้ทางทางผู้ฟังมีคำถามอะไรมาไหมครับ ถ้าเพื่ยังไม่มีนะผมก็จะคุยต่อในเรื่องของเรื่องของไฟธรรมชาติต่อนะทางที่เรามาเสร็จแล้วในเรื่องของดวงดาวนะพ อ, พอดวงดาวเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อของดวงอาทิตย์าำให้เราดูของดวงดาวบางใเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของดวงดาวต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องดูว่าทําไมมันถึง มีเหตุเกิดขึ้นที่รวงอาทิตย์ในช่วงที่มันมีดาวเคราะห์เด่งตัวทําไมมันจะมีเหตุเกิดขึ้นที่โลกในช่วงที่มันมีปรากฏการณ์ดาวเคราะเด่งตัวนะในในความเข้าใจทางดาราศาสตร์ปัจจุบันนะอาจจะมีความเข้าใจว่าแรงหรือดีโฟนระหว่างดวงดาวเนี่ยมีแต่แดงโน้งถ่วงเป็นหลักนะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า เหตุให้เกิดแรงลน้มถ่วงเมื่อแรกมันเกิดจากอะไรนะเราจึงเข้าใจเรื่องของปรากฏการณดาวเรืงตัวได้นะแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากการหักล้างของพลังงานไฟฟ้านะก่าให้เกิดเป็นแรงดึงดูดขึ้นมาใกล้ๆกับมวลของวัตถุาสารที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกันนะดัง น, นั้นเนี่ย ลักษณะของ แ, แรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงต่อนนะซึ่งไม่สามารถที่จะบีบิ้นพลต่อดาวเกาะได้นะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง น, นะแต่ความเข้าใจที่เหนือไปกว่าแรงน้มถ่วงก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดแรงน้มถ่วงนั้นมันไม่ใช่แรงน้มถ่วงแต่มันเป็นแรงของพลังงานในเขาเรียกว่าคลื่น standing wave ในการก่อร่างสร้างตัวของดวงดาวในแต่ละดวงนั้นมันจะธรรมชาตินั้นจะหาจุดสูงหุ่นเสมอนะในการกอร่อหน้างหรือการรวมมวลเข้าด้วยสารเขา้ายกันการเปน็นดวงดาวขึ้นมานะก่อนที่จะมีแหล่งน้ำถักวขึ้นมาอีกนะซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะเป็นตัวก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์นะระหว่า พลังงานโนดดีว่าโนดมันทาน ง, งานในอว ก, กาศอย่างในดวงในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยจะมีโนดของจุดที่เรียกว่าสเสถียรเนี่ยเป็นวงแหวนเป็นวงแหวนนะ ต, ต่างๆในระบบสุริยะวงแหวนเหล่านี้ก็คือพื้นที่ที่ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยโคจรอาศัยอยู่นะ มีการต่อล่างสร้างตัวนักกอล์กอล์ฟสร้างตัวเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นวงแหวนเหล่านี้ก็คือวงจกวงโครจรต่างๆดังนั้นเราจึงเห็นว่าดาวแต่ละดวงจะไม่ดูดเข้าหากันและชนกันนะเพราะว่ามันจะล็อกอยู่ที่วงแหวนงวงเวทต่างๆคราวนี้แ น, น่มอนมันจะต้องมี ครับครับมามาแล้วครับขอขอโทษทีครับขอโทษทีครับเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยเชิญด็อกเรก้องพบต่อเลยนะครับอา่านั้นเดีย๋ดวยวลองลงตรงส่งไแต่ต้องพูดพูดทวนทักที่ผ่านห้าห้าที่ที่ผ่านมานะครับครับผมในเรื่องของอพลังงานเนี่ยถ้าจะเห็นว่ามันมีสองแบบนะถ้าเกิดมองในทฤษฎีความตั้มความตั้มเนี่ยก็จะมองอันพลังงานเนี่ย พลังงานในอวกาศหรือในจักรวาลมันมีรูปแบบสองแบบคื้หนึ่งคือนอนรูปแบบของคลื่นถูกไหมครับและสองคือรูปแบบของมวลมวลอนุภาคในนิยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยจะเนี้นในเรื่องของการดูมวลดวนุภาคเป็หลักนะอนุภาคถ้าเกิดเขาพูดถึงดวงอาทิตย์เขาก็เลยมองในอนุภาคปฏิกิยาฟิวชั่น อุ้าของมวลพุ่งชนกันนะมีมวลพุ่งออกมามวลสารพุ่ออกามาหรือเพื่อทดลองว่าอ่าบนโลกเราเนี่ยมีลังสีพลาสติกพุ่ ง, งชนโลกหรือจะมีเรื่องของอุกกาบาตมาพุ่งชนมีตะวันออกมาพุ่งชนเงินหรือแม้แต่ในปาิกิยาของเซนนะเซนที่เทีเขาทดลองกัน ก็เป็นการเอามวลมาพุ่งชนกันนะเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติในเชิงของมวลเอามาพุ่งชนั้บนั้นนะในความเป็นจริงแล้วในทฤษฎีความซ่ามเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานมันแบ่งเป็นสองแบบมันขึ้นอยู่กับมุมมองมุมมองหนึ่งคือมุมมองของมวลนะอีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองของคลื่นนะคลืมม่นเนี่ยเวลามีการสันไหวที่จุดจุดหนึ่งมันจะมีตัว ตัวสั่นไหวเป็นตัวส่งแล้วก็มีสื่อกลางแล้วก็มีตัวรับนะโดยที่ตัวส่งกับตัวรับไม่ได้พุ่งชนอะไรกันนะอย่างเช่นเวลาวเราอามีฟังคนได้ดนตรีนะเขาก็เขาก็เขาก็เล่นดนตรีของเขาไปส่งเป็นคลื่นเสียงมาที่เรามากระทบที่หูเรานะอย่างเช่นสมมุติมีสมมุติ ม, มตีอ มีอ่านั่งตีปิดเพงเสียงดังมากกระหึ่มมากเลยเราเราอยู่บ้านข้างเรารู้สึกสั่นเลยนะสั่นกระเพื่อนนะจะเห็นว่าไม่มีการป้องชนกันแต่อย่างใดนะระหว่างบ้านสองหลังนะแต่ว่ามันมีการสั่นไหวเกิดขึ้นนะหนึ่งคือสั่นไหวที่ต้นปักต้นต้นต้นต้นทางของพลังงานนักสอมีการสั่นไหวที่ปลายทางของพลังงาน ฉั น, นั้นเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องของบาการเรียนตัวของดาวเคราะห์ต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าหนึ่งเมื่อมีเตุปัจจัยนะว่าหนึ่งคือดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในวงโคจรมีการสั่นไหวในวงโคจรเหล่านั้นนะแล้วก็สั่นไหวไปพร้อมๆกันสองเมื่อมีการเรียนตัวเกิดขึ้นนะมันจะมีการเรียนตัวของการสั่นนะเกิดขึ้น ว่ามีการเลี้ยงตัวเชิงสัตว์มันก็จะมีสองแบบเลี้ยงตัวมีเรื่องของการเสริมเสริมกันหรือหักหล้านกันนะการหักล้างหรือเสริมกันเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงการที่เมียก ว, ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากเป็นพิเศษนะของบนดาวต่างๆที่มีอยู่ในแนวเลี้ยงตัวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงพลเรื่องเลยนะอีเป็นเรื่องของพลังงานขึ้นซึ่ง เหมือนกับเหมือนกับบ น, นโลกเราเนี่ยมีแรงน้มถ่วงจริงนะแต่ก็มีพลังงานอย่างอื่นที่เข้ามากระทบโลกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสั่นไหวใด ต, ต่างๆนะมีพลังงานหลายๆแบบนะดังนั้นปรากฏการที่ปรากฏการดาวเลียงตัวเหล่านี้นะไม่ใช่ปรากฏการของแรงโน้มถ่วงนะเป็นปรากฏการของคลื่นการสั่นไหวของพลังงาน ในอวกาศที่ส่งทอดต่อกันมานะดังนั้นเดี่ยถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราก็ต้องเข้าใจในรูปแบบนี้นะยังไม่ใช่เอาอะไรมาพุ่งชนกันแต่เป็นเรื่องของคลื่นส่วการที่นักวิทยาศาสตร์จะวัดได้ยังไงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่โน่นบ้างก็วัดโดยแผ่ดินไหวโดยตรงถ้าจะดูการเปลี่ยนแปลงที่ชั้นบรรยากาศก็ดูการแกว่งตัวของชั้นบรรยากาศอย่างเช่นกระแสลมที่เปลี่ยนแปลงนะครับ คงไม่จําเป็นที่ต้องดูสนามแม่เหล็กแปลงตัวสนามแม่เหล็กก็เป็นสนามแม่เหล็กถ้าเราจะศึกษาว่าขึ้นพลังงานแบบนี้สัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กหรือไม่เราก็ดูได้เช่นเดียวกันว่ามั น, มนามาเปลี่ยนแปลงไปแปลงตัวในรูปแบบนี้แลนะเมื่อมีปฏิกิริยาโดนที่แบบนี้แต่เมื่อเราดูไฟธรรมชาติเราก็ดูเลยว่าเมื่อมีปฏิกิริยาแบบนี้กระแสโนบุล โ, โลเปลี่ยนแปลงอย่างไรงไอรินไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลอดไฟ ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเพราะไม่จําเป็นที่เราจะต้องเอามาเทียบเคียงกับกวามแปลกประสนามแม่เหล็กนะหรือโครโมหรืออะไรประมาณนี้เพราะสนามแม่เหล็กก็เป็นสมมติปัญหาหนึ่งนะเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กนโลกเราก็มีเรื่องของสนาไมไฟฟ้ า, านะแม้แต่คลื่นที่เข้ามากระทบก็มีหลายแบบอย่างเช่นคลื่น ขึ้นเร Wave, นะือทรานส์เวิร์เบดนะจะขึ้มล์เอกไฟฟ้าปกติขึ้นลองดิจิทัลก็คือเหมือนกับขึ้นเสียงนะงั้นอุปรกรณ์ที่วิยาศาสตร์นักวิยาศาสตร์เนี่ยใช้วัดสิ่งต่างๆที่เราโลกเนี่ยมันวัดตามสิ่งที่นักวิศาสตร์ท่านนั้นสนใจนะแต่ไม่แน่ความว่ามันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตเสมอไปเพราะว่ามันเกิดได้หลายแบบนะล้วเราดูตรงๆแล้วเราจะเข้าใจอย่างตรงตๆไปตรงมาเลย นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้นะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของอ่านี่คือภาพรวมในการดูภัยธรรมชาตินะคราวนี้เรามาดูแลจะดูยังไงว่าพื้นที่ไหนบ้างนะจะเกิดเหตุแบบไหน น, นะอย่างสมมุติเราอยู่ภาศัยในไทยจะเกิดเหตุแบบไห น, นก็จะเป็นเรื่องของ ต้องดูที่สภาพอากาศนะดูเรื่องของปฏิกยาใต้ดินเป็นต้นนะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอากาศจะร้อนเป็นพิเศษนะอากาศร้อนเนี่ยมันมาพรา้อมกับการที่เรียกว่าความเข้มของอ่าน้ําปริมาณน้ำในอากาศมันน้อยมีนักษณะแห้งแล้งความแห้งแล้งเนี่ยวงบอกถึงอะไรวงบอกถึงว่า ความปลายเทพลังงา น, นระหว่างาชั้นบรรยากาศเนี่ยกับตอวโครง p l a า m ม, มีน้อยนะปริวา น, น้ำมีน้อยเมื่อน้ำมีน้อยมันก็มีความเครียดเกิดขึ้นมานะ้างใต้โลกในช่วงที่ช่วงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ว่าน้ำน้อย ใตโลกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมากเป็นพิเศษในเรื่องของความร้อนใต้โลกเราจะเห็นพวกผลินไหวมากเป็นพิเศษสําหพื้นที่พื้นที่หนึ่งสมมุติถ้าพื้นที่นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีฝนตกประมากเป็นพิเศษนะความชื้นในดิมีเยอะมีพลังงานอยู่ในอากาศเยอะในเชิงอของอพลังงานไฟฟ้านะผู้ไงมีการถ่ายเทพลังงานระหว่างดินกับอากาศเกิดขึ้น ความเพียรเกี่ยวกับใต้ดินเหมือนก็จะมีน้อยดังนั้นแผ่นดินไหวปันจัดไม่เกิดรุนแลในเวณนั้นแต่ในทางตรงกั้ามถ้าเมือว น, นั้นมันแห้งมากแล้วก็ไม่มีฝนตกมาก่อนมากาม า, กายเลยมากมายเลยแน่นอนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงนะต่อปีญญาใต้ดินบ้านพิเศษถึงต้นนะ เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของอาภัยธรรมชาตินะ้วยภาพรวมนะส่วนเท้าจะศึกษาว่าเคช่วงนี้มันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเจาะลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะเดี๋ยวนี่เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วผมก็ต้องอประกาศการท่านส่วนดาวาาในประมาณสัปดาห์้างหน้านะ ผมจ ะ, อะขออนุญาตไปลาหัวนะคงจะไม่สามารถจดัดในการได้ไปอีกสักพักหนึ่งนะแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสอีก ก, ก็จะมาคุยกันใหม่นะแต่ว่าก็คงพักในการออกอากาศไปชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลมาข่าวสารนาเกี่ยวกับ วิธีการในการรู้ทันภายธรรมชาตินะโดยภาพรวมแล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาช่วยทุกท่านในการาเรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของอธรรมชาติบนโลกเราดวอาทิตย์นและในวอวกาศนะแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเป็นคนอาศาัยอายูเนี่ยไปใต้ความแปรปรวนหรือความไม่เที่ยงของธรรมชาตินี้ เร า, าเราจะอยู่ในโลกด้วยความเราสามารถปรับตัวไต้อย่างไรบ้างนะอยู่อยู่ได้โดยที่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็แน่นอนื่อเราทราบสิ่งเหล่านี้นะ้วชีวิตทุกท่านก็โอกาสของความอยู่รอดในในโลกเราแมะ ไ, ไม่รับผลกระทบต่อไปทําไมชา จะมีน้อยกว่าคนอื่นที่ไม่สามารถทราบเรื่องเหล่านี้ได้นะก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความความรู้ของโลกแล้วก็การเผยแพร่ไปทั่วโลกนะในอนาคตเพราะว่าเราก็เห็นว่าโลกเหล่านี้ความความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลานะและสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจะทาให้เราเมีความเข้าใจนะ ความสำคัญกับตัวเราเองเนะต่อสิ่งที่อยู่ข้างาลงมันเชื่อมโยงกันขนาดไหนจะเห็นว่าสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะบบทุกลอดทุกการก็ถือว่ามันเป็นในการสําหรับการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นป้ายบอกทางในตลอดทางว่าหนึ่งคือทุกท่านเมื่อท่านเดินทางท่านก็จะมีป้ายมพาไปดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างถ้ามีควาอันตรายเกิดขึ้น ก็ดูป้ายมีป้ายปักไว้ว่า น, นี่คือโคมตะลายช่วงนี้ก็ต้องระวับบงเป็นพิเศษนะแต่เหมือนท่านาไม่ไดเรียนวิชาความรู้เหล่านี้มาก็เหมือนกับท่านครับรถแล้วไม่มีป้ายเตือนทางเตือนเตือนหรือขวางทางนะในช่วงเวลาขับขับขันบางอย่างถ้าเหมือนเรามีสติดีเราก็หนีปัญหาอยู่แล้วนะเราฝึกเจริญสติเราฝึกเจริญสมาธินักปัญญา มีปัญหาเนี่ยจะทราบเรื่องรานี้หรือไม่ก็ได้แต่ถ้าท่านไม่ได้ฝึกมาแล้วท่านยังถึงยังไม่ทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่แน่นอนโอกาสเสี่ยงมันมีความเสี่ยงต่อไปธรรมชาติหรือภายในใจถึงขึ้น น, นี้มากกปกตินี่ก็จึงว่าเป็นสิ่งที่มาเป็นสติกนะทุกๆท่านนะครันอีกรูปแบบหนึ่งนะ จากธรรมชาติทีกแหละผมไม่ได้เป็นคนเตือนนะธรรมชาติเป็นคนเตือนนะครับก็ก็จะฝากอ่าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไว้นะสําหรับทุกทา่านไว้ปิดเจรนานะนะครับก็สําสหรับเท่านี้ก็ก็จะจบการบรรยายนะครับนะแล้วก็นนะก็ต้องขอที่ตึต้อตอบได้ครบครับก็จะจะ อาภาพก้องหายหายจากหน้าจอนะครับภาพก็ไม่มีมาทั่งพักกนะครับเสียงชัดแจวครับหมอครับโอเคครับไเห็นไหมครับอ่ากาลังมาครับกำลังมาครับครับผวันนี้เญ็นงานเป็นงานแรร์ล้วนหลายที่ครับใช้ปัญหาหลายที่เลยวันนี้ถูกต้องครับวันนี้สัญญาณค่อนข้างแย่นะครับแต่ว่าก็พอมอออากาศได้ครับครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการต่อข้อสาม จากผูก้ถามผู้ฟังบ้านครับงั้นระห ว, ว่างใระหว่างคอยคาถามระหว่าเคอยคำานอะไรไปก็ฟังฟังไปคอยจะต่ อ, เ, อเนี่ยไงระหว่างคอยคาถามที่ท่านผู้ฟังเนี่ ย, ยก็คิดว่าเดือนมิถุนา ย, ยนเนี่ยมีอะไรหลักๆที่ต้องระวังบ้างไหมครับเออมีมีคนระับคือช่วงนี้ปีนี้เ็น ป, ปีที่เรียกว่า มีวิกฤภัยธรรมชาติเึงข้ขงหนมากก่สมควรนะรสภาพอากาศแห้งแล้งนะหมายความว่าใายโลกเนี่ยมันร้อนด้วยถูกไหมครับเมื่อมันมีพลังงานใต้โลกม้ากมันจะต้องมีการปล่อยปล่อยมันมกนน็มีหลายรูปแบบนะแต่หนึ่งเนเรื่องของแผ่นดินแยกแผ่นดินแยกตัวแผ่นดินมาไหลภูเขาไฟระเบิด ที่มันตอนนี้มาจากการปลดปล่อยพลังงานที่ใต้โลกนะแต่เพราะงั้นใต้โลกวันนี้มันก็ต้องอาศัยพลังงานจากด้านโลกทําไม่เงี้ยแล้วมันก็จะเหมือนกับแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะแล้วก็จ่ายไฟไปเรื่อยๆสุดท้ายแบตเตอรี่นี้มันก็จะตายต้องหมดไปแต่ปรากฏว่าไฟธรรมชาติมันไม่หมดมันมาตลอดมาทุกปีมันไม่หมดไปอะไรว่ามันมีบางอย่างแต่ก้อน พลังงานให้กับมันนะก็แน่นอนอย่างที่ผมพู้ฟังมาเกี่ยวมือของการดูประจจัยที่ที่นอกวาตกมคุณต่อมีคำถามอะไรไหมครับ อ๋อเชิญอาจารย์ฟปียชีพก่อนเลยครับเดี๋ยวผมไว้ทีหลังก็ได้ครับก็น่าจะเป็นคำถามกันเรื่องเียชีก็ตอนนี้ติดคำถามที่ออกมาคือที่ที่ตรงคุยมิตรอนตนบ่ายแล้วเาถามว่าอ่าจากภาพยนต์ตร เ, รเรื่องแซนเดรียนะครับนั้นคิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับที่เกิดที่ชายฝั่งตะวันตกของสัฐอเมริกาครับเรื่องเรื่องเืองหนั เ, น, เ น, น, นี่ยส่วนใหญ่จะ ขางอินเรื่องจริงแต่แน่นอนมีการปรุงแต่งถ้ามาดูอ่ามจริงด้วยใส่เข้าไปด้วยเพอให้มาดูตื่นเต้นแล้วใจนชครับแต่ว่าแน่นอนเริ่มไปยินไว้ที่จะเกิดขึ้นในต า, ฝาตมฝั่งตะวันตกมันจะต้องเกิดแล้วนะไม่ว่าจะถามดนะ้านธรณีวิทยาท่านใดท่านก็นบอกว่าแน่นอนมันจะต้องเกิด แต่ว่าจะเกิดแบบในหนังหรือเปล่านี่มันคงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดในหนังยกเว้นมันจะต้องมีอะไรที่เรียกว่าตกหนักที่ทุกคนสังเกตเห็นได้นะเป็นรังบอกเหตุมันก็จะเกิดถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงมันไม่ได้เกิดที่แสนด์เรีเมียวแล้วแหละมันก็มีหลนะายอีกะครับคุณอาจว่าคิปว่าประเด็นใหญ่ๆก็ ม, มีมีแน่นอนใช่ไหมครัแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ทั้งขนาะด นครับภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์มันก็มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ที่สะท้อนจากความคิดความรู้สึกของคนบนโลกนูวยส่วนหนึ่งจะเป็นถ้าอยากคนบนโลกนี้มีความต้องการอยากจะเห็นภาพภาพของไฟพิบัติธรรมาชาติต่างขนาดใจเกิดขึ้นเขาก็มาทำไปดังให้ดูว่ามอนจะเป็นยงไง ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยบอกถึงว่าเหตุของของภัยลังนี้เกิดจากอะไรนะแต่ก็ต้องวิเคราะห์นะก็วิจัยว่าอะไรคือเหตุสิ่เของสิ่งเหล่านี้นะนี่มีคำถามนครับว่าวันปรากฏการเมื่อ ข, วขัวค่ำนี้มีการปิ ด, ป, ดปิดเว็บไซต์อะไรมีการลบภาพทางเฟซบุ๊กของดัชแมนนะครับแล้วก็ ปรากฏว่ารายงานขินไหวของอเมริกาเองเนี่ยมีการถดถองไปแล้วก็ถามว่าคิดว่าเกิดจา ก, กาอไะไรนี่หลายแบบนะก็ต้องคิดต้องเข้าใจกันว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแน่นอนมีข้อมูลข่าวสารไม่จํานวนมากข้อมูลข่าวสารเหล่านีา้เนี่ยหนึ่งคือ จะมองก็ามนันเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านก็ได้จะมองว่าเป็นโทษต่อคนบางคนก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องของอความเข้าใจแล้วก็การตีความว่าจริงอย่างนี้เนี่ยจะปอดให้เกิดคณิคว่าความขรมึดตนบเกิดขึ้นในสังคมหรือไม่แต่เราผู้ทีศึกษาเรื่องนี้นะ ก็มีได้หลายแบบแบบนี้ก็คือถ้าเราสังเกตดูว่าจะมีผู้ที่ไม่สามารถรับรู้ซึ่งเร่อแบบนี้ได้ก็คือมีความรู้สึกเนตนอกกษษืนอนอตหนกบผ่นพิเศษแล้วก็แน่นอนแต่ในอย่างเนี่ยถ้าพูดเรื่อ ง, อองความจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่รับได้ยาตนะความจริงสิ่งที่อนุยาตมันจะไม่ธรรมดา โลกจริงคือ เ, เจ้าสองกันแต่โลกนี้ก็ไม่เที่ยงนะตัวเราไม่มีจริงมันเป็นอะไปแต่โลกเขาก็ถือว่นนี่มีตัวมิตนสิ่งหลังนี้เที่ยงแท้แน่ น, นอนอย่างเงี้ยขูอความจริงอะไรไปแน่นอนต้องไปรับการปฏิเสธบางคนก็รับไม่ได้นบางสถางงานต่างๆรับไม่ได้ก็มีก็เมื่อรับไม่ได้ก็ต้องหาทางปิด การได้เป็นบางครั้งนะแต่ว่าความจริงก็เป็นความจริงอยู่เช่นนั้นแหลนะแต่แล้ ว, แ, ลว แ, ตแต่แล้วล ว, ว่าใครจะตีความยังไงครับผมขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับคือว่ารู้สึกว่าสยายัญญาณจากทางอเมริกานะครับจะค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็จะขัดขัดขัดๆติดติดขัด ข, ด ข, ดด ข, ดขดนะครับแต่ของอาจารย์หนุ่ยค่อน ข, ข้างปกตินะครับ <S <S อรบกวนดรเต้อะ อ่าลองวางแล้วโทรเข้ามาใหม่ได้ไหมครับเผื่อว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมครับครับได้ครับวันี้ยังงี้ดีขึ้นยังติดกล้องไปดีขึ้นครับเสียงดีแต่ไม่มีภาพนะคุณอาปิดก็นเลยครับอ่าหเสียงโอเคนะติดกล้องไปก็ได้ครับมีคําถามถามเลยว่าครับหากพิจารณาทั้งภายนอกโลกและภายในโลกสูงสุดแล้วอเอเกใจที่บัดไปที่จะเกิดผลกระทบหนักสุด น่าจะเกิดช่วงไหนครับคือจะบอกช่วงเนี่ยก็ต้องดูมันมีสองแบบก็คือหนึ่งคือต้องดูเพิ่งปรากฏการดาวนรงตัวปรากฏดาเแรงตัวเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะรู้ช่วงช่วงเวลาที่จะมีภัยมากเป็นพิเศษนะซึ่งซึ่งมันก็มีหลายช่วงด้วยกันนะบางที ถ้าพูดไปว่าช่วงไหนมากที่สุดเนี่ยมันก็ค่อนข้งางเขาเรียกว่าถ้าเผืคนที่ถ้าผมของบอกไปแล้วปรากฏว่ามันมีที่อื่นเกิดขึ้นในช่วงอื่นที่ผมไม่ได้บอกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเตรียมตัวนะการเฝ้าระวัง เอาบอกบอกเป็นข้อค่าคือบอกคือวิธีการที่ผมเห็นว่าตีสุดที่ควรจะเผยแพร่คือบอกในการวิธีการดูลำบ อ, อกเห็นด้วยตนเองนะก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือายธรรมชาติจะเกิดมากมันช่วยคนที่ปริมาณถึงดับเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือปรปมาณึงดับเพิ่มลงตับสุดนะซึ่งเราก็ดูได้จ้งตามเว็บไซต์ต่างๆนะหรือในช่วงที่มีปฏิกิริยาโดนที่เกิดขึ้นสูงเป็นพิเศษ หรือเป็นช่วงที่มีตัดต่างๆมีการ ต, ตายเกิดขึ้นมีปราวานเกิดขนะึ้นมีปลาแผ่นดินไหวอะไรเงเกิดตื้นหรือประกฏการที่เรียกว่ามีสงครามมีความขัดแย้งก็นโลกเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษอ่นี้จะเป็นวิธการดูส่วนวันเวลาก็ปล่อยให้มันไปตามเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่รู้แต่ยาก พอรู้ได้คร่าวๆก็มันจะรู้ได้ชัดเจนที่สุดก็ใต้เคียงก็คือโรงพาบาลสี่วันสามวันนะก่อนเก่ดเหตุมีคําถามนะครับหากมองเรื่องระบบสุญญะในภาพภาพรวมสังเกตว่าหมึกดำเพิ่มขึ้นการเผาไหม้ที่ผิวดวงอาทิตย์ลดลงซึ่งสวนทางกับโรคที่ปฏิบัติเพิ่มขึน้นอาจเป็นเพราะการระเบิดที่ผิวของดวงอาทิตย์ และการส่ง เ, เสริมปริมาณแก๊สในคน่าโคหรือเปล่าครับที่เรื่องของเรื่องของพฏิกิริยาโวงอทิตเนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงเรื่องของพลังงานเป็นรวมของจักรวาลของหลวบสุริยะนี้นะในช่วงที่ปริมาณจุดดับมันมีน้อยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันเป็นช่วงที่สว่างมากเป็นวิเศษนะมันช่วงที่โวงทิตสว่าง แต่ช่วงที่มีปริมาณจุดดับน้อยเมื่อสว่างมากมายถงไงพลังงานมันเยอะนะจุดดับน้อยนี่คือพลังงานเยอะพลังงานความสว่างแต่ว่าความสว่างนี้เกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นจากครับผมจะพูดในแง่ที่ฟ้าคือมีความต่างศัก์สูงเนาจะเป็นอิเล็กทริกโลท์นะพลาส ม, าถถม่าถ้าบอกโ่าจุดดับ เสียงเสียนหายนะครัตความร้อก็ส่งผ่มาย่างเป็นนุ่มๆกับวนตอนนี้สัญญาณของดรหายนะครับสัญญาสัญญาณยังอยู่นะครับแต่เสียงเสียงไม่ค่อยมานะครับตอนนี้อาจารย์หนูยังได้ยินชัดไหมครับเดินดูไปเนี่ยจไเลยของกล้องเพิ่งมีสัญญาณไหมครับหายเงียบไปเลยครับครับแต่ขออาจารย์หนุ่ยยังสัญญาณดีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับหาการ วันนี้มีปัญหาทางสัญญาณอย่างหนักเลยครับไม่ทราบว่าเป็นที่เหตุใดนะครับทั้งจากทางอเมริกาแล้วก็แต่จากทางประเทศไทยยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับทางอาจารย์หนุยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าทางอเมริกานี่แย่ทางภาพและเสียงนะครับนะครับดูว่าดวงจันนะครับเป็นเป็มดวงครับครับตอนนี้ตอนนี้สัญญาณหายไปทั้ง อาจารย์เปี่ยชีพแล้ด็ตรกล้องพบนะครับเดี๋ยวขอลองวางก่อนนะครับแล้วแล้วก็ขอติดต่อกันใหม่นะครับครับผมได้ยินไหมครับรอสักครู่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชัดเจนแล้วครับผม อาจารย์หนุยโอเคโอเคครับของดออรภาพมาแล้วเสียงชัดเจนแล้วครับครับก็เมื่อกี้ไม่ทราบอาจารย์หนุย่ยจะถามเรื่องอะไรสึดพูดเกี่กัดวงจานทร์แต่ผมไม่แน่ใจโอเคก็ทาง้องส่งมีคำถามอะไรหรือเปล่า ครับคุณตอบีคาถามเนี่ยคำถามนะครับก็วันนี้หลังจากที่ดูหนังเรื่องแซนแอนเดรสมานะครับก็มีข้อหนึ่งซึ่งอยากถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับเช่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.1 นะครับซึ่งซึ่งเป็นในเนื้อเรื่องของหนังนะครับ 9.1 เนี่ยทำให้เกิดคลื่นสึนามิเนี่ยพัดผ่านสะพานโกลเด้นเกตไปได้เป็นไปได้ไหครับคลื่นสึนามินี่ ก็ไปขึ้นใต้น้ำส่วนใหญ่ครับใช่ครับถ้าเป็นดินไหวมันเกิดในน้ํำนะแล้วก็แน่นอนจุดศูนกลางใกล้ๆแถวนั้นมันก็เกิดสึนามิได้นะมันมีความเป็นไปได้เหมือนกับที่เคยเกิดสึนามิที่ทางแถวแถวทานใต้นะหรือทางทางอินโดนีเซียอ่าสักครู่นะครับสัญญาณหายนะครับโทรใหม่นะครับสักครู่นะครับ ครับผมครับเชิญครับต่อเลยครับครับคลื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับคลื่นสึนามิเกิดนได้ถ้ามันถ้ามันเจ้าลิตอร์เลี่ยนะมันก็สมควรจะเกิดขึ้นสึนามิถ้าเกิดถ้าเผ็นดินเกิดขึ้นอย่างนี้ระดับพัดผ่านสะพานโกลเด้นระดับพัดผ่านอ่าข้ามสะพานโกลเดนเกตได้เลยครับดรวันนี้ ขอประธานอนยญาทุกท่านด้วยนะครับสําหรับผู้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาด้านสัญญาณพอสมควรนะครับที่มจากไหนจากทางเชียงรายนะครับเอ็นนี้ครับครับผมติดแล้วครับต่อเลยครับดเรครับครับสัญญาณขาดขาดไปไปมาๆนะครับขาดขาติดติดนะครับตอนนี้นะครับ ครับมาแล้วครั บ, รบโอเคครับก็โอกาสที่ขึ้นมันจะเยอะขนาดนั้นมั น, ม, นมันยา ก, ก่าสมควรนะตามความเห็นผมครับผมครับครับมีคำถามนะครับว่าดาวเรียงตัวในกาแล็กซี่อื่นมีผลต่อเราไหมครับผมผมไม่ศึกษาขนาดนั้นแต่ก็คงอาจจะมีผลแต่ว่าเราคง จะรู้เรื่องนี้ได้ยากเพราะ ว, ว่าเราเบียร์ันวิทยาศาสตร์นี้น้อยเกินไปในกละดานี้ครับอ้อาจารย์หนอยู่ไหมครับอตอนนี้มีปัญหาอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้นะครับ<อ>ต้องกดแล ะ, <อ>กดละโทรใหม่นะครับใช้ระบบสกายในการสื่อสารนะครับผม ครับผมครับมีปัญหาอย่างหนักเลยครับดร้อก ด, ดตอบ<า>ต้องกดตอบไหมใช่ครับนั่าคืนั่นกลัวการตาตเยอะมากอคําถามใหม่นะครับอยากทราบว่าถ้าโลกหยุดหมุนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและเราควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรดีครับคือ <c oughs> ผมจะบอกว่าถ้าโลกหมุนนี่คือมันตายกันหมดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพี่อเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวตายตายเดีย คือคือถ port <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าคือพ้าท่านก็สอนมาแล้วว่าทุกวันแต่ละวันเนี่ยพวกเราก็ต้องเตรียมตัวตายอยู่แล้วเพราะเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะตายด้วยเหตุใดก็ยังได้เลยก็ก็ฝึกเป็นมรณานุสติคือในกรณีของโลกหยุดหมุนนี่มันมันมันใหญ่มากเลยนะคือการที่โลงจะหยุดหมุนได้เนี่ย มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของมขึ้นความถี่ในระบบสุริยะหมายความว่าวงโครจรของดาวจะต้องเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็แน่นอนถ้ามาหยุดหมุนหมายความว่ามันจะต้องระเบิดด้วยวลกจะแตกเป็นไปไม่ได้ที่ยืนเฉยเฉยอันนี้นผมก็เป็นเพราะว่าถ้ามาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบสุริยะแล้วเราจะพบว่า เมื่อมีการการตอบตัวกิดจกการสั่นไหวของพลังงานในอวกาศเมื่อมีการสั่นไหวต้องมีการหมุนเสนอนะเมื่อพลังงานเปลี่ยนทิศ ป, ปุ๊บเมื่อหยุดอยู่สักพักหนึ่งมันจะมีการถ้ามันหยุดมันก็หยุดได้ไม่นานแล้วมันหมุนในทางหนึ่งเมื่อไหร่หมุนในคางึมันก็ต้องมีการแตกโล่มันจะต้องแตกแน่นอนแต่ว่ามันคงไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปกังวลเพราะว่า ถ้ามันจะแตกหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามในโลกจะไม่มีทางรอดได้ก็เริ่มกันใหม่อันี้จัดจัดการค่าดการที่นักวิชาการหลายฝ่ายกระทั่งนักวิชาการในบรรดาว่าจะเกิดการโพชิปเนี่ยเหตการณ์โพชิปเนี่ยจะมีปรากฏการณ์โลกหยุดหมุนอยู่ประมาณหกวันนะครับแสดงว่าอันนี้ไม่น่าเป็นจริงใช่ไหมครับคือถ้ามันจะจริงอ่ะดวงอาทิตย์มันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหนักแล้วก็ไม่มีใครรอดเลย คือคำว่าดวงที่แบบมันเมื่อ7 6 7วันมันผมได้เชื่อว่ามันเป็นการเมื่อจัดการที่ลราถึงผมแต่มันเป็นเรื่องของชั้นบรรยากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลับต้องอย่างมันหยุดไม่ได้เป็นสภาวะที่เรียกว่าอินจังคือมันจะต้องเปลี่ยนตลอดมันหยุดไม่ได้มีเมื่อไหร่มันละเบิดไม่ได้เลย มันเป็นอย่างนั้ น, นแสดงว่าในมุมอมองโอกาสโอกาสที่เราจะหยุดพ้จากโคชิดนี้โอกาสเป็นศูนย์ถูกไหมครับคือไม่น่านน่าจะเป็นคือโอกาสเป็นไปได้แต่ผมบอกว่าเป็นแล้วไม่มีใครใบนโลกที่จะอยู่ได้ครับจึงไม่มีประโยชน์ะลรที่จะไปจะจะไปเกรงว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าสู้สุขมรรณานนสุสติดีกว่าใช่ครับถูกต้องครับ โอเคครับคือเราเรีป็นอย่างใช่ไหมครับใช่ครับคือการตายของคนตายได้หลายแบบนะบางคนอยู่บ้านเฉยเฉยหัวใจวายตายก็ได้หรือนั่งกอาบน้ำลื่นหกล้มตายก็ได้หรือกินข้าอยู่ดีๆสำพักอาหารหายใจไม่ออกตายยังได้เลยคือมันตายได้หลายแบบ คงไม่ต้องรอถึงโภชิตเตาเตาตายก็ได้คือทางที่ดีสุดๆดดจะเดินบรรดาธรรมุสติจ้าน้องครับไปเอาถ้าเรามองมองดูความน่าจะเป็นใช่ไหมครับของศาสนาพุณที่ว่าโลกเรามีการเกิดดับเกิดดับอะไรทั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าเกิดใหม่หลายพระองค์เนี่ยช่วงที่ช่วงที่ตาสนาหายไปนี่คือเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดพิบัติภัยใหญ่แล้วคนตายหมดโลกเป็นไปได้ไหมครับแล้วก็แค่เกิดพระพุทธเจ้าใหม่ก็องค์อย่างเงี้ยครับ ก็เป็นไปได้คือคือเรื่องของเป็นเป็นความหนหรือเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะฮะแล้วก็แล้วก็ดูประวัติศาสตร์โ่นเช่นประมาณ 5,000 ปีก่อนแต่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์หน่อยแล้วกันก็จะได้จะได้อความติดต่อภาพบ้างแต่ก็เป็นความเห็นบนความส่วนตัวแล้วกันนะครับอย่างช่วง 5,000 ปีที่แล้วนะครับ 5,000 ปีที่แล้วเนี่ย ถ้าเราดูไม้ศาสนาพุก็ได้ศาสนาคริสต์ก็ได้เขาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมโลกนะแล้วก็มีมีการที่เนี่ยมีคนสร้างเรือโนวาจิตขนสัตว์อะไรกันไปอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนมีคนรู้นะว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่ภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ทำให้โลกแตกนะ แต่ภัยบาเหล่านี้มันเกิดเกิดในระดับที่เรียกว่ามันทําลายอริยธรรมนะของมนุษยชาติทําให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เกิดการสร้างอริยธรรมขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นแล้วมีผู้ที่มีบารมีมากเนี่ยก็จะลงมาโปรดสัตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องนะในช่วงที่มีการก่อร่างสร้างตัวของมวลวุสิทธิ์ที่กำเนใหม่อพันธุ์ที่กำเนิดและเกิดอย่างนี้เป็นช่วงๆไปแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วนะในลักษณะของวัฒจักรธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสองแบบคือแบบที่เรียกว่าอยู่ในช่วงที่ป่าเข้าสู่ช่วงของความเจริญกับช่วงเข้าสู่ช่วงของความเสือ่อมนะ ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีๆนะผมเอาแค่ประเทศอียิปต์ก่อนลวกันประวัติศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยท่านถ้ า, ท, าท่านผู้ใดได้เคยได้ไปประเทศอียิปต์จะทราบว่าในยุคแรกๆที่มีสิ่งก่อสร้างต่างๆจะมีขนาดยิ่งใหญ่ใหญ่โตหมกรานมากแล้วก็อายุเนี่ย ที่อยูอนั้นมีทั้งหมื่นสองพันปีที่แล้วเก่าแก่มากนะเ น, นี่นิกก็สร้างมานานมากนะแล้วก็เอาเอ า, เอาแค่ดูลงศพของฟาโลนะกันลงศพฟารโรลยุคยหคจะแบ่งเป็นสามยุคยุคเก่กกายุคกลางและยุค ใ, ใหม่ยุคเ ก, ก่าที่สุดเนี่ยลงศพทําด้วยหินแกรนิตขัดมันแข็งมากนะยุคกลางเนี่ยทำด้วยหินโปูน นะคนะยุคใหม่หทำด้วยไมย้นะแล้วก็ไม้นี้ก็ไม่ใช่ว่าไม้อะไรมากนะความที่ตรงในการแกะสลักก็สู้ของเก่าไม่ได้นะ mm hmm. สู้ดูแรกๆไม่ได้นะดังนั้นถ้าเกิดเราสังเกตดูแล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆไรรานต่างๆนะในเชิงของอการสร้างมวลสสารหรือเรื่องของ มวลสสารการต่อตัวมวลสสารขอล่างสร้างตัวมันสู้คนสมัยก่อนไม่ได้นะเทคโนโลยีในการยกของหนักอะไรพวกนี้ก็สู้ไม่ได้นะสมัยก่อนเขายกหินกันเป็ น, นก้อนก้อนแล้วเป็นปันนะสมัยนี้นี่เป็นหินออกอิดล็อกอิดนอนก็เล็กๆ น, นะนํามาต่อกันคือคือมันไม่ใช่ทวิทยาวิ การพัฒนาทางออรเจอร้าหน้าเนี่ยมันมันต่ําลงในเชิงของเอการก่อร่าสร้างตัวของอารยธรรมแต่ว่ามันไปเจริญในเรื่องของเรื่องของ อ, อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของสิ่งเล็กเล็กเล็กเล็กจะเห็นว่ารูปยาสมัยนี้มันเล็กหมดนะสมัยก่อนมีแต่ของใหญ่ๆสมัยนี้มีของเล็กๆ็กอะไรก็เล็กหมดเป็นนาโ น, โนเป็นอะไรไปนะมัน ระดับจิตใจของคนมันเปลี่ยนไปตามตามการเวลาแล้วมันก็ถึงจุดเปลี่ยนที่เรียกว่าเมื่อถึงจุดจุหนึ่งมันก็จะมีการเสื่อมชลายมันมีจลนว์สุดก็เสื่อมถี่ด้านเหมกันอย่างสังคงมวัฒทธรมบนโลกก็ถึงจุดเสื่อมมีการฆ่าฟันอะไรกันมีความเสื่อมในเชิงของบางคนนะอย่างสมัยนี้ก็ปัญหาสังคมมีมาก นะมันเป็นยุคสมัยนะี้นะซึ่งถ้าถ้าถ้าดูเกี่ยวกับปรวัติศาสตร์ของอินเดีย่าหาลาตัดนะก็จะพูดถึงเรื่องของกรียุคนะซึ่งก็คือยุคสมัยนี้นั่นเองก็จะเป็นรัฐจักของโลกที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าถามว่าจะไปกำหนดวันให้มันเปลี่ยนแปลงร้ออร์เซนคงบอกได้ยาก การเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาครับในใ น, ใ, ใ, นในโลกมนุษย์ครับอย่างอย่างวันนี้ อ, อย่างวันนี้ที่ผมไปดูหนังมานะครับพูดถึงเรื่องหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวมาตลอดตึกลาบ้านช่องถล่มหมดสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือมนุษย์หลังจากเหตุการณ์ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้มากแค่ไหน ถ้าไม่ไม่มีการเจริญสติมาก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคงเป็นตามคําทํานายที่จะเป็นบ้าอยู่ๆก็เสียคนรักอยู่ก็เสียลู ก, ก, เ, สลกเสียพ่อแม่พี่น้องไปเนี่ยมนุษย์กลายเป็นคนบ้าได้ทันทีเลยครับถ้าเกิดว่าผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วแล้วเหลือตัวเขาเพียงคนเดียวธุรกิจของเขาหายไปหมดเนี่ยผมคิดว่าในประเทศที่มีการเจริญสติจะอยู่รอดที่สุดครับ ด็อกเตอร์อยู่ไหมครับก็ลบครับสงสัยกล้องหายไปนะกล้องหายไปนะหายครับหายตอนนี้มันถูกลบกวนจริงๆเลยใช่ใจอาจารยบอาจารย์ลองติดต่อหม่ได้ไหมอาจารย์เนี่ยเป็นตลอดนะครับผมมีสองาจหนึ่งครับสดุงาจารย์ายในอวกาศวอกเนี่ยหนังสือสังารดาวเียนใช่ไหมครับหรือเก็บเป็นใต้น้เนี่ยมีครื่อเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้แม่นอนตอนนี้แม่แตคลื่นงราะว่าอาาร์ก็ ขึ้นจากางอาจารย์ก็ติดิกขัดบ้างแล้วครับเดี๋ยวผมลองวางแล้วครับแล้วโทรใหม่กันนะครับนะครับสวัสดีครับรับติดแล้วครับผมหลายรอบเลยนะครับดรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ั้งคํานะครับรีนเขาบอกว่าปีับเกนี้จะมีเหตุการณ์ที่ปลอดภัยมากสุดแล้วปีหน้าจามารถเป็นปีนี้ไมครับ ฮัลโหลทุกสองทุกสองสวัสดีครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนะมันจะถ้ามันบ้าปีหนึงอีกปีหน้ามันก็จะลดลงแล้วมันก็จะเหมือนมันก็จะกลับมาใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือมันจะมีช่วงที่มันจะวิกฤตมากเสร็จแล้วสักพักนึงมันก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมาใหม่ครั้งในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่พิเศษออทารู ตามเรื่องของสนามแม่เหล็กของของดวงอาทิตย์แล้วก็มันเป็นช่วงที่สนามแม่เหล็กมนอ่อนกํลาลังของค่อนข้างม า, ากพอสมควรนะเทียบกับหลายร้อยปีที่ผ่านมาสนามแม่เหล็กดวงที่อ่อนสนามแม่เหล็กโลกก็อ่อนตามซึ่งมันก็แน่นอนมันมีความเสี่ยงในการนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเกี่ยวข้องกับเผ่นดินไหวความตึงสูงซึ่ง ซึ่งเป็นเดิวสานกับผมเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็พบว่าปฏิวัยมันจะเกิดมากเมื่อเมื่อมีการาสลับขั้วสลั บ, ลบเหล็กบนโลกแล้วช่วยผิดกับนบนบนดวงอาทิตย์เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันจะมีปฏิวัยเกิดขึ้นได้ถี่ขึ้นซึ่งก็ศึกษามาทั้งหมด40กว่าปีเหงมันดาวนม้มเป็นอย่างนี้นะ ก็สิ่งที่สิ่งที่ทก็ก็แน่นอนมันก็ต้องเตรียมตัวพิเศษแต่ว่าถามว่าแบบมันจะเกิดเมื่อไหร่มันก็บอกยากนะแต่ผมก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตว่าเออต้องดูอะไรสังเกตได้นนตัวเองเ็มีคำถามผมเรียก ว, ว่าคำถามโลกไปนะรับเพราะว่า สชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวทั้งใหญ่ทั้งกลางหลายครั้งในอเมริกาแล้วสักครู่หนึ่งประมาณสิบห้าทีก็มีการลบทิ้งไปมือนก็ว่าไม่เคยเกิดมาก่อนเลยมันก็มีทั้งฟองอลามและอีกส่วนนึ่งก็เว็นทั้งของจริงก็มีของปลอมก็มีสลับกันไปแต่ที่สําคัญคือเรารู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติในช่วงสาหรับโลกในช่วงนี้ครับเพรามีแผ่นดินบาวใหญ่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น ดังนั้นชงทีท่ชองกลางของกมันจะสั่ตามลักษณะ 8.5 ที่ญี่ปุ่นนะครับอไม่ทราบว่าเท็จริงไงครับดรผมเห็น 7.8 นะ 7.8 ก, ก็หนักอยู่ดีนะครับอ่าหนักแต่ว่าเนื่องจากมันลึกมากความลึกอยู่ที่693กิโลเมตรครันนั้นมันไม่ค่อยมีผมมากถ้าเติมส<ม>ี่จะมีผนเยอะครับผมครับผม มีคำถามนะครับว่าภูเขาไฟญี่ปุ่นกำลังปะทุและปะทุระเบิดมากขึ้นเรื่อยๆจะมีผลอะไรกับประเทศไทยไหมคะอ๋อมีนิดหน่อยแต่ไห้เรคิดมากเพราะว่าการที่ภูเขาไฟระเบิดเป็นการระบายความเครียดที่อยู่ภายในโลกซึ่งหมายความว่ามันกาลังปรับสมดุลอยู่ดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือเปียนโลก ม, มนจะเสถียรขึ้น ก็ผลต่อมองไทยก็คือจะมอง้วแม่แนูก็คือโอเคแบบนี้ป่อยจะเริ่มลดลงตาบาลรอการก่อตัวขั้งต่อไปคือมควาว่าคือเรื่องในการประทุมากขึ้นใช่ไหมครับผลจะลดลงใช่ั้ยฮะลดลงในในประเทศเขาเองนีไม่เกี่ยวประเทศเรานะครับครับก็ก็ใช่แต่ว่าหมายถึงเนื่องจากมันไป เป็นการตรงนั้นมากพิเศษใช่ไหมครับความกดดันทั่วโลกโดยรวมก็ลดลงด้วยหน่คือมันมาตามปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกโลกแล้วก็ในโลกมาประกอบภภภภกประกอบกันไปตอนนี้มันเครียดแล้วมันก็ระเบิดไปแล้วแล้วมันก็ระบายความเครียดไปแล้วมันก็ต้องรอสะสมใหม่ครั้งหนึ่งช่วงนี้ข้ามาถุด เกิอสัญหามากเส่นต้งพิ์ไวและผู้ขอไประเบิดลูกสาวเรียนอยู่ญี่ปุ่นโค้รให้กลับเมืองไทยดีไหมคะอ่ามันยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ามันจะต้องกลับเมืองไทยเพราะเหตุการณ์เหล่านี้ครับคือคนญี่ปุ่นต้องลองถามคนญี่ปุ่นไม่ไดีหรอแต่เขาอยู่กันแล้วเขาจะไปไหนนะเขาก็มีวิธีของเขาก็คือ เขาก็อยู sin, years, than, mm ่กันได้มาตั้งไม่รู้เท่าไหร่กี่ร้อยปีก็อยู่กันได้นะไออย่างอันนี้ไหหรือสิ่งต่างๆนี้มันเกิดในวงแค่มันยังไม่มันมันเขามีวิธีที่ดีมากในการอ่าเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นยังไม่ว่างเดี๋ยวเท่าไปร่าไปศึกษาในการดูสถานการณ์ต่างๆนะข็คงไม่ต้องกังวลอะไรมากครับเดี๋ยวมันก็หาย คำถามนะครับจิตใจคนที่มีทั้งดีและไม่ดีย่อมมีพลังงานที่ทำให้สิ่งที่เราอาศัยอยู่ได้รับผลสูตหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจเช่นคู่กับต้นไม้ต้นไม้โตเร็วหรือฝ น, น, นมันน้ำมันกุนน้ำน้ำเปลี่ยนไปงั้นถ้าเกิด ถ, ถ้าเกิดใจิตใจคนเราดีขึ้นนี่จะช่วยป้องกันพิบัติภัยได้ไหมครับใช่ครับถูกต้องเป็นชนั้นแหละครับ นั่นแสดงว่าถ้าสังเกตถ้าเกิดคนคนทั้งโลกอยงเช่นช่วงปีใหม่นั่งสมาธิกันสวดมนกันใช่ไหมครับภัยยังไม่เกิดเลยเนี่ยถ้ า, ถ า, ถาทั้งโลกถ้าเป็นจริงกันภัยก็ไม่เกิดได้ถูกต้องไหมครับมันจะไม่เกิดได้แต่มันไม่ได้เกิดในที่ที่คนเขามีจิตใจดีงามเลยมันไปเกิดที่อืน่นได้แต่มันนี้มันขึ้นอ ย, อยกับกรรมวิบากและกรรมของของคนหมู่มากด้วย ยังไงคนก็ต้องตายมันจะต้องมีที่ลงแน่นอนเพรว่าทางใดท้งหนึ้ ง, งแต่มันยุ่งยางรุนแรงกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เลยมีคำถามตอบมาว่าประเทศไทยนะครับมีคนนับถือพุทธเยอะมีคนทำดีเยอะนั่นแสดงว่าที่บตดภัยใ ห, ใหญ่ๆจะไม่เกิดจากผู้เทราช่วยไหมคะในเรื่องเฉพาะตอนการทาดี ก็เป็นเฉพาะตนเงินกเองเราเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่มีคนที่ดีก็มีมากพอสมควรอันที่นี่ตอนนี้ก็นับถึงศาสนาพุทธดังนั้นความอยู่รอดปลอดภอยู่เฉพาะตนของผู้ที่ปฏิบัติดีคที่นี้ประเทศเราคนปฏิบัติดีเยอะใช่ไหมครับเช่นในประเทศไทยมีตะวันออกนะครับว่าปฏิบัติดีเยอะกับเขาม่าเยอะกับเขมรเยอะกับเวียดนามลาวเนี้ยนี่ประเทศไทยเนี่ยตามประกาศควรจะรอดถูกไหมครับ ก็ใช่ครับก็ก็แน่นอนแต่ก็รอดก็ถ้าในกรณีเอานี้แค่ปฏิบัติดีสมมุติมีอย่างรถสยมุองไทยต้องอยู่ปุบัติเหตุทางรถมากนะมีมีคนรถชนไปกันมีตายกันทุกวันนะแต่ผู้ที่สุดมาดีแล้วเนี่ยผูิบาิการต่างๆเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลง แต่ก็มีโอกาสได้อยู่เกิดได้อยู่แต่ก็จะน้อยลงแล้วก็ทำบุญรักษาศีลอย่างนเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้หต่างที่ดีขึ้นครับมีผู้ถามด็อกเตอร์มานะครับว่าเมืองไทยปลอดภัยที่สุดในโลกด็อกเตอร์ไม่มาอยู่ไทยหรือคะอ๋อ ก็ อ, อยู่ในุ่ปชุดไงครับแล้วแล้วอีกข้อนะครับมีผู้ถามว่าดาวนิบิบุนะครับหรือ Planet x นะครับเข้ามาแล้วหรือยังมีผลต่อโลกอย่างไรเมื่อใดโอเคเร น, นี้เราจะเชื่อเรื่องอะไรเราต้องพิสูจน์ถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ว่ามันมีผลยังไงเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ mm hmm. ดาวนิวิลเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นเลยนะหรือเอางี้แค่แค่ดวงอาทิตย์เนี่ยมีผลต่อลูเนี่ยคนแต่ละคนยังมองไม่เห็นเลยนะดังนั้นสิ่งที่ยิ่ง ม, มองเห็นยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งพิสูตรยิร่งยากก็อีกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็วิธีการที่เราจะพิสูจน์ว่ามันจริงได้เนี่ยเราจะต้องเห็นก่อน แล้ เ, เรายังไม่เห็นเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้มันก็เลยกลายเป็นตำนานไปเพราะว่าเรายังไม่สามารถเห็นได้แล้วคำนวณวงโคจรที่แน่นอนได้เอามาใช้งานได้ในการคาดการณ์ไปพิบัติยังคาดการณ์ไม่ได้ในเรื่องของใช้ดาวทีไม่ดูงั้น คนก็บอกหมนเลยอะไรเกิดขึ้นเนืาดาวนี้มีรูหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้มันไม่มันไม่สมเหตุสมผลเราจะต้องรู้จะต้องคาดการได้แล้วต้องรู้ก่อนด้วยสมมติถ้าแบบคนที่เขาเชื่อเรื่องดาวนี้มีรูนะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นอันสิ่งดาวนี้มิรูเป็นต้นเหตุของปัยพิบัติจริงสมมุติเขาก็ควรจะปลุกเออเนี่ยดาวนี้มิรู้จะโคจร ถ้ามันเย็งตัวกับนี้นี่นี่นวันนี้วันนี้วันนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ลองคาดการดูสิถูกหรือเปล่าใเนี้ถ้ามันถูกโอ้โหก็อาสนใจมากที่จะศึกษาแล้วเร่อีนิบิลุเนี่ยครับมีจริงไหมครับแล้วก็ก็มันคือไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีดาวที่นักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นพบ หลายๆดวงนะอย่างเซเวสเนี่ยก็เป็นดาวที่คนพบใหม่ใช่ไหดาวเคราะน้อยอะไรเงี้ยหรือดาวที่เงยเงยไปอีกเงยดาวคูโตไว้อีกก็มีชื่อดาวอะไรผมจําไม่ได้ไม่รู้ว่าแต่เขาตั้งชื่ออีกแบบหนึ่งอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงดาวนี้มันไปตรงกับบรรติของนักวิยาศาสตร์ของดาวดวงไหนบ้างอะไรเงี้ย บอไม่ใช่ได้ชัดเจนอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมากจะมีโอกาสที่น้ําแข็งตัวไหมครับน้ําแข็งตัวครับน้ําแข็งตัวน่าจะหมายถึงในประเทศไทยครับหมายความว่ า, วาอาจากประเทศไทยเนี่ยที่ไม่เคยมีน้ําแข็งเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดน้ําแข็งเกิดขึ้นอะไรอย่าเงี้ยครับก็ต้องมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นครับรองรับ ตามถึงจะแข็งได้ดังนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าช่วงไหนที่มันหนาเยน็นก็ต้องลองดูหนัห่งหนาวเช่นยอดดมีน้ําแข็งเกาะได้ใช่ไหมมันก็ต้องรัดตัดปัจจัยแลดตัดภูมิศาสตร์ด้วยมันก็จะเกิดได้ง่ายอะเช่นถ้าเกิอเราไปดูแถว阿拉ซ่าน้ําแข็งก็เยอะเพราะว่าภูมิศาสตร์เขาเหมาะสมกว่า ถ้าพูดคนไทยจะมีน้ำแข็งก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาการถึงฉพันเ์ฉับพันและดูแรงเช่นแบบเหมือนแบบนี้เพรดตกใชมเพรดตกมันก็เป็นน้ําแข็งเหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถึงฉับพันน่าจะหมาย<น><น>ถึงอ่าระดับโพชิปเลยไหมครับดกรโอ้โหก็อย่างที่โพชิฟมันมีสองแบบโพชิปแบบอย่างแรกก็คือ สลับขั้วแบบในเชิงการหุนโลยอนั้นตายกันหมดแน่นอนจริงใต้ ด, ด, ตมมดินบนดินตายหมดนะถ้าเป็นสนามแม่เหล็กสลับเนี่ยก็โอเคถ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเยอะก็มีโอกาสที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเกี่ยวกับสภาพอากาศต้อง ม, มีถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะถึงสนามแม่เหล็กสลับ ก็ e: ให้ใช้ใ ห, ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติดีกว่านะครับไม่ตื่นตะกจนเกินไปนะครับก็ก็รมันทุกอย่างในรุ่นนี้มันเป็นไปได้แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดในช่วงอายุไขนี้หรือเปล่าเมื่องหนึ่งครับอะมันก็ดูไปธรรมดาดูสังเกตเวลาดูดูหนังฟังเพลงธรรมดาไม่ได้ดูคือดูธรรมดาไม่ได้ไม่ต้องไปครับก็เรียกงนั ไปอินไต้องอินมากไปนะฮะมีคำถามนะครับว่าตอ่นี้ไหลแรงวันนี้ที่ปุดเนี่ยคิดว่าน่าจะตรปิดไหลใหญ่ในช่วงเวลานี้เจดวันนั้นใกล้นีไหมครถ้ามีน่าจะมีเจ้าไหนครัอในตามสถิติแล้วกันผมผู้ตามสถิติถ้าในกรณีของจุดดาบอย่างที่มันตามสุด ไปแล้วเนี่ยคือช่วงนี้ใช่ไหมันจะต้องหน่วงเวลาไปอีกสักคั้หนึ่งก่อนที่จะเกิดไปอีกครั้งหนึ่งในเงี้ยเนี่ยอโอกาสที่มันจะเกิดอีกมันตอนนี้ยังยังพบ ว, ว่ายังน้อยนะมันจะเกิดซ้ําที่เดิมอีกก็ยิ่งน้อยเข้าใหญ่ เพราะตอนนี้มีทั้งกองไฟระเบิดแล้วแล้วก็แผ่นินไหวเกมาที่ยี่ปุ่จะโดนซ้ำอีกเกินเรียกว่าอชกอร้ายมากๆเลยโ อ, อกาสน้อยต้องรอนอกต่อไปคลองครับจะมีกาสเกิดแบบที่เนปาลนาี่ไม่ใว่าประมาณสิบสิบห้าวันสองอยี่สิบห้าบวกเจ็ดบวกสอสิบเก้าวันยี่ี่สิบวันนะครับก็มีการไหวเจ็ดกว่าๆอย่างเงี้ยครับครับ ก็เป็นไปได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกมันยังไม่เปิดช่วงนี้ไงกลัวมันยังไม่ถึงเวลาครับอ๋อครับครับเดี๋ยวทางบ้านนะครับทางบ้านคําถามก็อีกห้าทีนะครับคงจะปิดรายการทางบ้านมีคำถามที่ส่งมานะครับจะได้รีสารวัตรกบฏนะครับครับผมก็อ่าผมผมจะมีเลิกสลัวนะวันที่ สิบิถุานาครับที่วัดบ้านก่า บ, บ่อที่จังหวัดลำบ้านเจริญครับผมถ้ทาท่านผู้ใดสนใจก็ก็มาได้ครับก็ทางวัดยินดีต้อนรับ ด, ด็อเตอร์กลาว่าจะบวชนานแค่ไหนครับก็ใจจริงถ้าบวชนานกว่านี้เงิ่มีภารกิจที่ต้องไปบรรยายประชุมวิชาการเกี่ยวกัเรื่องนี้เลย เรื่องเกี่ยวกับต้นเมธีวิสโอน่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ก็คงมีงานบางส่วนที่คิดว่าควรจะทําให้เสร็จก็คือเช่นการเขียนหนังสืงอพวกนี้จะได้เป็นมาตรฐานให้กับผู้มีสนใจในด้มีศึกษาต่ตอไปวัดบ้านบ่อเก่านะครับจังหวัดอำนาจเจริญ น, นะครับ บ, บ้านเก่าบ่อครับบ้านเก่าบ่อนะครับจังหวัดอำนาจเจริญ น, นะครับ ผู้ใดสนใจหรืออยู่ใกล้เคียงก็ไปร่วมงานอุปสมบทของด็อเตอร์ได้นะครับผมก็อาจจะไปนะครับ่านผู้ชมคิดอยู่อันตรายท่านเู้ชมท่านใต้กับบ่อท้อเจ้ามานเจริญอยู่อยู่ห่างจากอุปนิชชาดีลามานหนึ่งจังวครับตะเหนือคน ต่นนั้นเป็นพระปฏิบัติสายหลวงปู่ขาวนะผมกสันนิสุานนะไอ้ไงเป็นไปสันนิษฐาใช่ไหมครับอำเคอพุอที่จําบนหนองแก้จตงบนหัวตะพานอาเภออาเภอหัวตะพานครับผม หัวตะพานอาจารย์หน่่ยครับแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับอมีผลตอบรับยังไงกับรายการบ้างครับอมีไม่ทราบว่ามีการจับกลุมฟังกันหรือว่านําไปสนทนากันบ้างไหมครับอาจารย์นี่ฮะี่ที่ม า, มาเนี่ยคือแต่เมื่อตอนมั้นวันนี้นะครับวันนี้ที่ที่เห็นมาเนี่ยฟังกันกลุ่มเป็นก้อนนะครับกลุ่มที่มีแรกสุดก็สี่คน ใจติดติดของคนแต่วันนี้คนตั้งใจฟังเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าสัญญาณสัญงานแย่มากครับสัญญาณตอนวันนี้ะแต่ช่วงหลังใช้ได้ครับช่วงหลังใช้ได้ก็วานคุณเกาะชัยก็ุคุณต่อครับอ่อก็ด้ละกันเขามีคนน้องขอมาเหมือนกันอ๋อหมายหมายความว่าอย้อนหลังใช่ไหมครับ เคร <Okay. S 1> เรียบร้อยครับเพราะว่าอย่างอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วซึ่งผมอ่ไปเปิดโปรแก ร, รมอีกตัวหนึ่งไว้ซึ่งเป็นเพลงเอ้ยเป็นธรรมะครับก็เลยเข้ามาแทรอีกแล้วครับแต่ว่าเสียงด<อ>็อกเตอร์ก็คือครบแต่เพียงว่ามันมีเสียงธรรมะเข้ามาแทรกเอาไหมฮะใชจดานโหลดย้อนหลังให้แต่วันนี้ไม่มีครับวันนี้เคลียร์ น, นี้วันนี้เคลียร์ทุกอย่างก่อนก่อนอัดวันนี้ฮะได้ครับ ก็แล้วก็ทีสาวสาวสาวหน้าเสาวหน้าก็ก้องมาบรรยายไม่ได้เพราะสาวหน้าติดเต็นทางมากรุงเทพใช่ไหมครับวันที่หกครับผมก็คือว่าวิจุนาวิจุนาทีก็คือไปสิ้นเดือนวันตั้งหลังวันที่กล้องสึกมาถึงนาวันที่ยี่สิบก็ใช่แล้วต้องติีมเตรียมประชุมวิชาการอีกก็คงกระดาษกระดากละาษกระดานะครับ กคก่นก่อนจะกรกาเอาอีกทีนึงขาว่างเรามีตุนาเดียวันจะหนักกว่าหนักกว่าัาไมคะเอานว่าผมอยู่เมืองไทยไปอยู่ใกล้ดร็อเตอร์ไว้ก่อนนะแล้วยิงขบวนมาเดียรเตรก็พบไม่อยู่เลยแล้วแล้วจะหนักกว่าไม่ค่ะก็ผมอยู่เมืองไทยไงอ่าเดี๋ยว แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยถ้า <ฮะ S 1> ดูจากข่าวสารนะครับไม่ไม่ไม่ไม่ได้รู้จากผู้ที่อยู่พื้นที่จริงๆอย่างด็อร์นะครับรู้สึกว่าจะมีภัยพิบัติเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องน้ำท่วมเนี่เ อ, อ็กสัซ์นี่จะน้ำท่วมมากเลยถ้าเราสังเกตดีๆนะจะท่วมวันไหนมันประมาณวันที่25พายุนาโดมาวันท<อ>ี่25เนี่ยแล้วทำไมต้องวันที่25เนี่ย เราต้องย้อนกลับไปดูว่าวันทนี่25เกิดอะไรขึ้นเนอะผมก็เขียนไว้ว่าวันที่25จะมีอะไรครัับมนก็คือมีพลังงานเข้ามาที่โลกนั่นเองเรื่องทอร์นาโดมันจะมีกันเกิดเรื่องทอร์นาโดนะครเมื่อเมื่อสักประมาณปีหรือสองปีที่ผ่านมานะครับผมเคยพูดไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราพูดไปได้อย่างไรนะครับมีคนถามเกี่ยวกับว่าอเมริกาจะเป็นยังไงอะไรอย่างไรนะครับผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่า อเมริกาเนี่ยในจะโดนทอร์นาโดเป็นหลายร้อยลูกมากเลยรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของรกรรมนะครับผมแต่ถ้าตามวิทยาศาสตร์นี้ไม่ทราบว่าด็อเตอร์มีมีความเห็นอย่างไรครับคือกรเนี่ยมันผูกกับพื้นที่ด้วยอ่าตำแหน่งโลเคชั่นเกี่ยวมันคือในในกรณีของทอร์นาโดทำไมต้องเกิดบริเวณกลางประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีความปเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กสูงอืมครับ ถ้าลองถ้าลองสังเกตดูการวัดความเข้มสนามแม่เหล็กที่สหรัฐอเมริก า, กาจะเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงและเป็นแนวพาดผ่านของเรียกว่า New m ม d r i d เพราะนกันั้นพลวันไม่เยอะมากแต่พอนานด์ยเยอะนะเพราะาเพราะว่าสนามแม่เหล็กมีความเปลี่ยนแปลงเยอะทำนั้นแล้วก็เช่นเดียวกัน แถวบริเวณบาสบุญนั้นติดซึ่งมีพวกอ่าอายุใช่ไหมครับก่อตึงแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกันถ้าลองสังเกตดูมันมันมันจะมีเกี่ยวข้องกับสนามไม่เลยครับพวกอายุวันี้วันนี้เกี่ยวมันแต่การยืมไหวมันคนละอย่างการยืมไหวมันเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้ามันตปนารข้าม แต่ในหนังในหนังอ่านะฮะเขาเขาเจาะจงไปว่าเป็นเป็นหลักเลยฮะว่าจุดไหนที่เกิดสนามแม่เหล็กมากจุดนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงฮะฮะออมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่สนามแม่เหล็กแบบที่เขาดูกันมันเป็นสนามแม่เหล็กที่คือ <c oughs> เรื่องอธิบายยากมากเพราะว่ามันเป็น ทฤษฎีทางไฟฟ้าซึ่งไม่มีตำาราเลยขนาดผมเรีย น, นไฟฟ้านะคผมเร็นไฟฟ้ามาเลยตรงผมเพิ่งไปศึกษาเจอเรื่องพวกนี้เองแล้วไม่ได้ดตำราด้วยมันมีคเครื่องที่เรียกว่าลองอิจูเครื่องลองอิจูคือเป็นเครื่องเหมือนเครื่องเสียงนี่แหละถ้าในใน ใ, ในตำรเรียนเราก็จะทราบกันในเรื่องของเครื่องไม่งสนามไม่ไดไฟฟ้าปกติเป็นคเครื่องเรียกว่า t r a n s ูร์สเล ตัวลอยจูบเวฟเนี่ยมันจะเป็นคือที่ที่มีลักษณะผีปัดของของสนามไฟฟ้าสัมม่ตไหวเป็นช่งชวงๆมันมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับที่ที่ที่เมีมาตามสม ก, การ Max กซ์เแต่มันมีมันเหมือนเป็นมันมลักษณะคล้ายๆไฟฟ้าสถิต ม, มากกว่าการสั่งไหวแบบขยายตัวหดตัวขยายตัวหดตัวครับเป็นลักษณะของไฟฟ้า ตามที่นิโคลาอเทซ่าศึกษาคนละแบบกันดังนั้นเป็นเรื่องยากที่ที่เราจะเข้าใจเรื่องลบงนี้ได้โดยเราไม่ได้ศึกษา ส, นะสิ่งที่อยู่นอกตำลาต้าจริงๆกว่าผมจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควร จึงเป็นเรื่องยากที่จะคุยเรื่องนี้ในเชิงวิชาการอีกเพราะว่าเราต้องปลูกพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสรูปลกด้วยที่ที่องค์ความรู้บางอย่างไม่ได้ถูกบันทึกในตำราเรียนด้วยเหตุผลตามปรัการ ค, ครับช่วงนี้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ย เยอะมากมายนะทั้งญี่ปุ่นอเมริกาหรือที่อื่นๆนะครับนี่เกี่ยวข้องกับดาวเรียงตัวโดยตรงใช่ไหมครับดรก็จริงๆต่อบไ้ด้วยตนเองนะเพราะผมบอกไปตามช่วงเวลาที่บอกไปมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างไนครับผมครับครับตอนนี้ก้องสังมผมที่บัานาซเจออาการแปลกๆครับ ตังช่วงกึบช่วงกลางคืนนะครับจะมีสามเด็กผูเล็กโลกมามาแรงมากเลยนะครับวันสีห้าเท่าแต่กลางวันนีะครับปรากฏว่าต่ำกว่าปกติครับคือปริมาณที่อย่างค่าดเขาว่าตอ้งมาตรฐานอยู่ระหว่างสาิบห้าถึงเจ็ดสิบใช่ไหมครับปรากฏว่ามันเหลือแค่ที่สิบยี่สามยี่แปดอย่างเงี้ยครับอืวัดสามถามก่อนผมว่ามันเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยแต่ขอถามอีกหน่อยว่าวัดที่เดียวกันหมดทุกครั้งหรือเปล่า อ่าหลายๆที่ครับคือที่เดียววัดด้วครับือด้วยครับใช่ครับคือวัดสีีที่ซ้ำๆกันครับครับนองคือคือถ้าเผื่อเป็นเขาเรีกว่าทำซ้ำแล้วได้ผลเหมือนกันเนี่ยก็เอามาใช้งานได้แบบผลอิบายยังไงทำไมมันกินมากเนี่ย มันเกี่ยวกันคือกลางวันหรือเปล่าครับหรือว่าเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยคือนี้มันแปลกฮะคือถ้คือถ้าถ้าตอนคลางืนผมว่าใจว่าใช่ไหมครับมันเกิดการสะท้อนกลับใช่ไหมครับของรถสุริยันที่ซ่องเคยเคยสอนมาที่ประมาณไปปั๊กลับเข้าโลกกันนะครับแต่เป็นคือว่าทําไมที่ผ่านมานะปีกว่าๆที่ที่ผมเริ่มวัดต่ปั๊เนี่ยช่วงที่ผ่านมาประมาณประมาณหลังยี่สิบเอ็ดพฤษภาเลยครับมันต่ากว่าปกติะครับมันไม่เคยต่ำกว่าทางทางที่านมากก่อนเนี่ยอืม อยู่นช่วงนี้ทำงาน20กว่า28 2 1ก็มีครน้องถ้าคุณมีอาชีพสามารถทำได้คือช่วยจดแบบเป็นบันทึกไปทุกวันได้ไหมครแล้วก็น้องทำมาเป็นกราฟดูครับครับเพราะว่าผมผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมเองก็ไม่ได้วะตรงนี้แต่ก็ถ้าเกิดมันมีประโยชน์ โอ้ oh, เอามาใช้ค่าการพิบัติการก็เอาเลยมีเป็นฐานเพราะเราเป้าหมายเราคือเราจะามาเป็นตัวออกเขตต่า ง, างถ้ามันมีความที่งงงทา่ถึงได้ก็ก็นำมาใช้ได้ครับนี่มีคำถามค้างนะครับว่าโอกาสเกิดภัยพิบัติขั้นใหญ่ๆมาก น, น้อยแค่ไหน ถ้าดุนแรงสามารถทําให้ภาคกลางหลายจังหวัดกลายเป็นทะเลสาบเลยไหมคะก็มันมีสองแบบคือหนึ่งคือหนึ่งภาคกลางเมื่อก่อนเคยเป็นทะเลอยู่แล้วครับบางเพศเมื่อก่อนไม่มีแต่ว่าถามว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือมันฉับพลันมันก็มีทั้งสองแบบเหมือนกันมือค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมายความ่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงเหมือนกับตอนนี้สมัย ทีตอนนี้มันสมุดสมุดปาะการสุดปักคอนอันนี้น้ํามันเข้ามามากขึ้นไหมฮะครับมาก ข, ข, ขึ้นกันใช่มากมันมันก็ลดมันเองเขาเรกว่าแบบค่อยเต็งค่อยไปนะค่อยมีค่อยไปก็จะใช้กระดานงานพอสมควรแต่อย่างนี้มันปรับตัวได้ปรับตัวทันนะไอแบบสัพพันก็คือแบบที่มีเครื่องเซอร์วิสอ่าวไทยอย่างเงี้ยสัพพัน หรือแบบประมาณว่ามีแผ่นดินไหวที่ไหนสักแห่งหรือมีภูเขาทแข็งมันเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาแล้วลาลายฉับพันเนี้ยอาจจะมีปัญหาซึ่งอย่างนี้มันก็ก็ยังเป็นตัวทานอยู่ดีถ้ามันอยู่ไกลเรามากมันก็ยังทนันแม่ว่าทานหมายความว่าก็ยังมีสามารถรู้ดได้เป็นระดับหนึ่งวันสองวันอะไรเงี้ย ผมยังตรวจทางตรวจทางคําถามดูเลยมีคําถามในลงเหลือบ้างนะครับครับผมต้องเดินทางไปตั้งแต่วันที่แปดไหครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเขากอยู่ต่อผมต้องวันก่อนกลับบริการไหมครับครับวันวันสองวันเท่านั้นเลครับคำถามนะครับที่คุนก็ยังบอกว่าแต่จินไหวเขาแปดจุดห้าแต่อเมริกาปรับเป็นเจ็ดจุดแปด จะเชื่อใครดีคะก็ไม่ต้องเชื่อแหล่งสิ้นแต่เชื่อได้ว่ามันสั่นแล้วแลามันสั่นุแรงเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเลขนอแล้วก็เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีดาวเรียนตัวด้วยว่าทำได้จริงเพียงแต่ว่าคนทําอาจจะง้ไม้คคบแค่นั้นเอง เราจะเข้าใจยังไม่ครบต้องเข้าใจไม่ครบถ้วนแต่รู้แน่ชัดว่าจะเกิดในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ในเชิงของเชิงเวลานะเราได้ความรู้ในเชิงเวลามาเนี่ยโดยเพาเวลาตัวเปิดสติได้ดีที่สุดเวลาปัจจุบันนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่า กรีว่าจะใช้เวลาสักพักแล้วก็จะมีการยอมรับมากขึ้นเมื่อภาิบัตรแลงเกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนตำราเรียนมันไม่เที่ยงแกไปคิวชูญิปุนอาทิตย์หน้าแล้วแตกเป็นอะไรไหมคะ <c oughs> อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ต้องดูเ็ดวันครับอาทิตย์หน้า เจ็ดวันใช่ไหมผมว่าถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเมืไหนก็ไปได้หมดนะครับได้ให้ผมไปผมไปด้วยนะฮะเออกตังให้อะคจริงๆไม่มีปัญหามองว่ามันเราถ้ามันอยู่ในไฟบัตรเราก็มองเราเป็นส่วนหนึ่งของหนังก็ไม่เห็นมีปัญหา น, นี่แต่ถ้าไม่อยู่เราเห็นเป็นลายก็ดูคนอื่นเห็นปัญหาว่าวันที่เหนลำแสงสีม่วงแล้วกจุดีบพวกสีฟปา ขึ้นจากใต้ดินไปบนภูฟ้าในประเทศไทยไหลายหลายภูมิภาครวมทั้งสีเขียวเป็นนำด้วยหมายถึงอะไรครับก็หมายความว่าโอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่ ง, งความเปลี่ยนแปลงในเชิงไหนบ้างมันมีหลายแบบแต่ก็ก็รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงก็ให้รู้ว่าช่วง น, นี้ ก, ก็กกำลังมีการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นี้ครับ อาจจะไม่ได้เกิดที่เราสังเกตเห็นก็ได้ของสบคำามเพิไมครับอ๋อคงไม่มีครับด็อกเตอร์ครับแล้วกำหนดของวันที่สิบมิถุนายนเริ่มเริ่มเริ่มบวดตอนกี่โมงครับด็อกเตอร์อ๋อยังงไม่ไ ด, ไได้คุยกับพระเป็นที่แน่นอนแต่ว่าก็คง น่านจะเป็นตอนช่วงเช้านะครับแตงเมยังไม่แน่ใจเผื่อจะมีอ า, ากาศไปได้ครับเผื่อจะมีใครเผื่อจะมีใครสนใจไปร่วมงานด้วยฮะอ๋อค ร, ครับนี้มีมีคำถามว่าวันนี้การตื่นตาขัดข้องเหมือนกับในหนัง้าพยนระเตเอ <ๆ S 2> <ๆ S 2> ัโโนโลก่อนเกิดเหตุการณ์ก่อนก่อนเกิดเหตุการ์ใหญ่แสดงว่าแนวโน้มีจะเกิดเหตุการ์ใหญ่ไม่ช้าใช่ไหมครับ มันมันก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะว่าผมก็คุยกับหลายๆคนทางส ก, กายแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยได้มันเกิดขึ้นได้เสมอได้หลายเหตุปัจจัยอือเราก็เราต้เราต้องดูครับว่าทุกอย่างเนี่เกิดขึ้นจากหลายเหตุปัจจัยจริงๆเพราะว่า มันบอกยากอย่างเช่นสมมติผมบอกผมจะไปผมจะออกไปข้างนอกอย่าเงี้ยผมมีความจะผมวันนี้เพิ่งมี่บอกไปนอกบ้านผมบอกไปด้วยเหตุผลอะไรบ้างมันมีหลายเหตุผลมีหนึ่งมีมีเหตุจริงๆจำเป็นเต้อไปมีคนร้องขอให้ออกไปสองผมก็อยากจะออกอยู่แล้วหรือสามมีคนรัาษ า, ามารับไป น, ไนู่นไปนี่ ก็เราก็เห็นว่าเออจําเป็นตั้งปลายกับปอย่างนี้เป็นต้นมันมีลายตรครับมก็คงไม่มีอะไรนะครับเราจะต้องให้ค้ายกลุกิตผลิตผลิก่อนก่อนปิดรายการในปัจจนครับผมก็จะต้องกัก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ที่เราฟังรายการอ่าสิ่งที่ผมได้อ่พูดพูดคุยไปว่าอ่สิ่งเหล่านี้มันเป็น สิ่งที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์เราก็เลยถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านอ่าได้รับฟังกันนะครเรื่องของภัยรามาติเป็นเรื่องธรรมดานมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเราด่ารับผู้ที่รับฟังและหรือได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆที่ธรรมชาตินํามาหักมาเสนอให้เราเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มากระทบกับประสาสัมผัสเราเท่านั้นเอง อย่าที่เราจะตีความยังไงในในเชิงไหนนะเป็นสำคัญที่สุดก็คือให้รู้ว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นแค่สิ่งภายนอกไม่สามารถทาให้จิตใจเรากระเพิ่มสันไหยได้นะนะเพราะว่ามันเป็นแค่สภาวะโลกภายธรรมดาของโวกไปนี้นั้นเองเราก็เรียนรู้สิ่งเหล่า น, นี้แล้วเราก็เอามาเป็น หักในการสอนจิตใจตัวเองครให้ให้เป็นผู้เรียกว่ามีปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆนะมีความเจริญในเชิงความคิดความอ่านมีปัญญามากขึ้นไปทั้งสิ่งเหล่านี้สําคัญที่สุดนะในการศึกษาไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าสาสตใดก็ตามก็ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าเราก็จะได้คุยกันอีกนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ย มีความประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญ น, นะในหน้าที่การงานไม่ว่าการทํางานใดก็ตามนะขอให้อุปสรทคั้งหลายแหล่ที่เข้ามาเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีนะเป็นผู้เจริญในเชิงทางธรรมนะแล้วก็ทางโลกนะครับก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับครับก็บบขออนุโมทนากับการ บสมบทครั้งนี้ของดอตตอรก้องพบด้วยนะครับสาธุสาธุาาผมตามไปนะครับองตามไปขอขอผัากองก็บอกรื่องอดองีครับ <c oughs> <c oughs> จะจะจะจะไปจัดราย ก, การจากนู่ น, น, นเลยไหมครับผมไปม่งที่มุใจว่าเนี่ยนั่นมัเป็นธนาก็ต้องก็บวชใช่ไหมครับเอะเดี๋ยวเราผองคนเนี่ยเราผมมาคุยเรื่องธรรมะกันไหมเนี่ยจะมายี้กันในธรรมะครับครับองขอนาเจ้าอะไรกันก่อน ครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจัดรายการได้ก็ก็ลองดูนะครับยังไงก็ได้ครับใช้เอาเป็นธรรมะแทนนะครับธรรมะธรรมะจริงๆเลยครับครับได้ครับโอเคครับผมครับขอบคุณทุกท่านมาครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสําหรับรายการรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับ ภายในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอัพโหลดให้นะครับซึ่งได้บันทึกไว้ไม่มีปัญหาใดๆในวันนี้นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม